กายสังขารนั่นเนี้ยซึ่งกายสังขารเนี่ยมันเป็นกายสังขารที่ไม่จีรังมันหาความคงตัวในตัวของมันเองได้เมื่อเราปกป้องตัวของเราให้อยู่ในกายสังขารที่ไม่จีรังกมันมือกับว่ากักขังตัวเองไว้กับกายสังขารหรือว่าสร้างตัวตนขึ้นมากับในกายสังขารที่มันไม่จีรังกายสังขารเป็นธรรมชาติที่ต้องแปรปรวนและแต่สลายแน่นอนเรารับทราบได้ในเรื่องราวแบบนี้ แต่เมื่อเรายังไม่ถึงทั้แต่สลายเราก็ยังมีเกิดความรู้สึกภายในตัวเองอยู่ว่าเรามีตัวตนนี่คือตัวตนของเราขนาดที่เราคิดว่าเรามีตัวตนที่คือตัวเองหรือว่าหรือตัวของเราแล้วเราก็พยายามปกป้องตัวเองมาโดยตลอดอันนั้นแหละคือการสร้างตัวตนขึ้นมาจากแง่คิดโดยการยึดถือกายสังขารที่มันไม่จรลังเนี้ยว่าเป็นตัวตนของตัวเองกายสังขารมันมันไม่ได้เป็นตัวตนของไทย มันเป็นกายสังขารมันประกอบมาจากมารดาบิดาหาว่าเป็นตัวตนของตัวเองทําไมจะต้องอาศัยมารดาบิดาไปด้วยแล้วอย่างนี้เราก็ไม่ต้องรักษาสุขภาพหรอเนี่ยเช่ไหมครับมีความดูเก่าถูกต้องแล้วแล้วเราไม่ต้องรักษาสุขภาพเลยเราเมื่อเราเข้าใจกายตามความเป็นจริงแล้วเราก็จะรักษากายตามความเป็นจริงแต่เราจะไม่รักษาตัวตนไว้กับกายสังขารนี้ ตัวตนหมายถึงจิตที่ยึดตัวตัว น, นั้คือความเห็นที่เรามองกายสังขารว่าเป็นตัวเราหากเราสามารถมองแยกออกได้ว่ากายสังขารคือกายสังขารความเห็นที่เข้าไปยึดกายสังขารเป็นอีกสิ่งหนึ่งไอความเห็นที่เข้าไปยึดกายสังข า, นางรนี่แหละเป็นตัวตนไม่เข้าใจ เราจะเอาเราจะเอาร่างกายส่วนไหนเป็นตัวเราร่างกายในเอาเอาร่างกายตอนที่เป็นเด็กเป็นตัวเราความเป็นตัวเราที่เป็นเด็กมันหายไปหรือยังหายไปแล้วเราจะเอาร่างกายตอนที่เป็นเด็กที่ตอนทานอยู่เนี่ยเป็นตัวเราตอนนั้นมันหายไปหรือยังร่างกายตอนที่เดินได้เนี่ยมันหายไปหรือยัง ตอนที่เราเข้าโรงเรียนร่างกายตอนนั้นมันหายไปหรือยังเราจะเอาตอนไหนที่เป็นร่างกายที่เป็นตัวของเราได้ทำไมเราไม่ปล่อยให้ร่างกายเป็นร่างกายทำไมเราไปมีความเห็นในกายกานั้นว่าเป็นตัวเราอยู่ตลอดเวลาเมื่อเรารู้สึกตัวขณะที่เราเกิดขึ้นมาในโลกรู้สึกตัวตัวขึ้นมาปั๊บขณะที่แห่งคอรู้สึกตัวเกิดขึ้นเราจะรู้สึกว่านี่คือตัวเราใช่ไห ม, มใช่ไหม เราสามารถรู้สึกได้ไ้มว่าตอนที่เราเกิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยเฮ้ยนี่ไม่ใช่ตัวเรานี่หว่ารู้สึกได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมมันต้องรู้สึกอย่างนั้นมันนั่นหมายถึงว่าพอรู้สึกอย่างเงี้ยมันติดมาตั้งแต่วันที่เราเกิดว่านี่คือตัวเราเมื่อมันติดเรามาตั้งแต่มันเกิดว่านี่คือตัวเราปั๊บเราจะทําทุกอย่างปกป้องครัวเราไว้ตั้งแต่ตอนเป็นเด็กถ้าถามว่าถามจริงว่าเราปกป้องตัวเราไว้ได้หรือเปล่าตอนเป็นเด็กให้มันคงอยู่ได้ไหมล่ะ ทั้งความสุขในตอนวัยเด็กทั้งความทุกข์ในตอนวัยเด็กสิ่งที่พอใจในตอนวัยเด็กสิ่งที่ไม่พอใจในตอนวัยเด็กหรือเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวัยเด็กเราสามารถปกป้องมันไว้ได้ไหม <S 2> <S 2> <S มันมีแต่ผ่านไปล่วงไปล่วงไปหมดไปหมดไปสิ้นไปสิ้นไ ป, นไปโดยลําดับแม้ในขณะนี้ก็กำลังสิ้นไปโดยลําดับเราไม่สามารถปกป้องหรือว่ายึดเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้มาเป็นตัวของเราได้แม้แต่ตัวของเราเอง ในความหมายของผู้เจ้าไม่ใช่ว่าไม่ได้ไปรักษาร่างกายผู้เจ้าสอนให้รักษาให้รู้จักโลกให้รู้จักเหตุเกิดของโลกให้รู้จักการปฏิบัติต่อสิ่งที่ก่อให้เกิดโลกแล้วก็รู้จักว่าวิธีการที่จะปฏิบัติต่อโลกแต่ละโลกปฏิบัติต่อบันยาอย่างไงนั่นหมายถึงว่าผู้เจ้าไม่ได้ละเลยเรื่องของกายว่าควรจะรักษาหรือไม่รักษาเพราะกายไม่ได้มีมีปัญหาอะไรกายไม่ได้เป็นโทษ แต่ความเห็นที่เราเข้าไปยึดในกายเนี่ยเป็นสิ่งที่มีโทษเราแยกความเห็นไม่ออกเราเรามีความเห็นในกายยังไงเราแยกไม่ อ, อเราจะเกิดการยึดพระเจ้าพยายามจะสอนให้พวกเรารู้จักการแยกโดยการพิจารณากาย้าแท้ของกายคือดินน้ำไฟลมซึ่งเราไม่เคยสร้างแต่ถ้าดูตามความเป็นจริงแล้ว ไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนก็ตามร่างกายเมื่อถึงข่าวแตกสลายแล้วหรือว่าถึงข่าวตายแล้วนะพูดง่ายๆเพราะว่าแต่ในความหมายของผู้นศาสนาคือตายคือหมดลมหายใจแล้วไม่สามารถสืบต่อชีวิตไปได้มันจะเป็นอะไรต่อไปผู้ศ า, ะะาสนาเราเผาศาสนาคิดฝังในที่สุดแล้วฝังไปแล้วสภาพร่างกายมันจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นยังไงเราคำนวณออกได้ไหม ตามความเป็นจริงของไกามันทุ่งเขาย่อยสลายถูกต้องไหมมันจะสลายไปเป็นอะไรมันก็มีเพียงแค่ดินกับน้ำลมก็หมดไปแล้วธาตุไฟคือความร้อนควอุ่นก็หมดไปแล้วสลายไปแล้วเหลือดินกับน้ำที่เป็นซากศพอยู่ทําไมพุทธศาสนาสอนในเรื่องขวบซากศพเรื่องการิพิจารณาอสุภะเรื่องความตายทำไมพุทธศาสนาสอนแต่เรื่องเหล่านี้ อย่าลืมว่านี่คือความจริงนะความจริงเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคัดค้านได้แน่นอนว่ากายสังขารต้องเป็นอย่างนั้นแล้วถามว่านักตัวตนเราไปอยู่ที่ไหนหลังที่นี่ตัวตนตอนที่หลังอากตายแล้วหรือขณะที่ตายแล้วไปอยู่ที่ไหนเราจะเอาตัวไหนเป็นตัวตนซึ่งการเวลามันจะเป็นเครื่องพิสูจน์ความเป็นกายของเราเนี่ยว่ามันจะยั่งยืนและพงพนไปได้สักแค่ไหนกี่ปีแปดสิปีร้อยปีร้อยี่สิปี แม้มันตายไปแล้วเนี่ยมันกี่ปีมันถึงข่าวย่อยสลายมันกี่ปีมันยังไงมันก็ต้องถึงที่สุดของมันก็คือสลายเลือดดินกับน้ําที่มันจะต้องสลายตัวพวกมันน้าก็ต้องไหลออกมาเหลือน้าเลือดน้องน้องก็ว่าไปแล้วก็ส่วนที่เป็นธาตุขันแข็งธาตุดินในร่างกายก็กลายเป็นดินนี่คือสัจจคตทิที่ผู้ย้าทรงนํามาบอกนํามาบอกเพื่อให้เราได้ใช้ การใคร่ควรและพี่นาเห็นกายตามความเป็นจริงให้เกิดความรู้ความเห็นเพื่อปาส จ, จาร์การยึดบั้นในตัวกายของเราเพราะการยึดบั้นเนี่ยมันจะนำไปสู่ปนอธิบาตอธินาทานการเมสุวิชาจาร์มุสาวานแล้วก็สุลาเมีรยะมัชปปมับปมาทฐานอันนี้เป็นบาลีนะพอเข้าใจของบดีนห พอพอถ้าเราปกป้องกายปั๊บมันจะนําไปสู่การฆ่าการลักการประพฤติผิดในการการโกหกและการหลบหนุล่อันนี้ผู้ได้เจ้าพูดในชั้นโทษที่เป็นสามัญญาของมนุษย์ทั้งหลายที่มันจะเกิดขึ้นในตัวของมนุษย์เองซึ่งเราก็เห็นกันอยู่แล้วการฆ่าเราก็เห็นอยู่แล้วมีมีอยู่ในโลกนี้คืออะไรคือการปกป้องกายปกป้องตัวตนก็บอกเออถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ไป เราก็ไม่ด้งังจับสายตาอาวุตสูุลบกับใครสิถ้าเขามารูปรังก็เพราะเหตุชนี้แหละเจา้าชายศิริษฐาจึงไม่ย อ, คอมคลองกระหลังเพราะนั้นไม่ใช่การสร้างความสงบสันติในอาณาเขตของพุทธองค์พอสู้ลบไม่ให้ความสงบสู่ความสงบการที่จะปกครองคนให้อยู่ในความสุขความสงบได้ไม่ใช่ทําอย่างนั้นไม่ใช่การจับสายตาอาวุตสุลบ ผลที่ได้มาคืออะไรหลังจากเขีนฆ่ากันแล้วถามว่าความชนะอถ้าได้ความชนะเนี่ยเราสามรารถรับผิดชอบการกระทำทั้งหมดที่เรากระทามาได้ไหมที่เราฆ่าคนตายไปเรารู้ไหมว่าเราจะต้องไปสู่วิถีชีวิตอย่างไรหลังจากตายเอ า, อางี้กว่ากทุกศาสนาเนี่ยพูดถึงเรื่องชีวิตหลังจากความตายกันตรงนั้นศาสนาก็สอนก็พูดถึงคริสต์ก็สอนแล้วก็พูดถึงอิสลามก็พูดถึง นั่นหมายว่าหากมีชีวิตอีกชีวิตหนึ่งอยู่หลังความตายก็เท่ากับว่าชีวิตนั้นจะต้องไปมีชีวิตอยู่หลังความตายด้วยเหตุและปัจจัยไม่ใช่มีอยู่โดยตัวของมันเองเพราะอะไรการเกิดของเราคือชีวิตหนึ่งใช่ไหมถามว่าเราสามารถเกิดขึ้นมาด้วยตัวของเราเองได้ไหมโดยไม่ได้อาศัยมารดาบิดานั่นคือเรียกว่าเหตุกับปัจจัยเป็นเครื่องส่งผล กับอีกภาวะหนึ่งที่วิยาศาสร์เขาละเลยคกอเรียกเขาจิตแต่พุทธศาสนาจะพูดถึงภาวะนั้น่ะผู้เาใช้คาว่าคันาพพะคือผู้ที่จะเข้ามาสู่กระบวนการแห่งการเกิดมีเหตุมีปัจจัยสามประการนี้แล้วที่วงทรงตัดถึงจึงจะเกิด ก, ก่อนที่จเกิดการเกิดได้ฉะนั้นชีวิตหลังความตาย จะต้องมีเหตุปัจจัยอย่างน้อยสามประการจึงก่อให้เกิดกันมีอยู่ของภาวะแห่งชีวิตหลังจากตายแล้วขณะที่เรามีชีวิตอยู่และปอเกิดขึ้นมาหากว่าชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยเป็นเพียงแค่ชีวิตเดียวที่เกิดเมื่อลักไปแล้วจะไปอยู่ในรูปแบบไหนก็ตามหรือไปอยู่อยู่กับพระเจ้าหรือไปอยู่ในสถานะ ผู้สวจบุญหรือบาปตามพุทธศาสนาที่สอนนั่นคือความความรู้ความเข้าใจในข้อจํากัดที่แคบมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระเจ้ยยาทรงตรัสรู้ถึงความมีอยู่ของชีวิตหลากหลายภพภูมิและความมีอยู่ของชีวิตที่มีอยู่อย่างหลากหลายภพภูมิที่พระองค์ทรงตรัสถึงสามสิบเอ็ดภพสามสิเอ็ดภูเคยได้ยินมาไหมตรงนี้ ล้วนแล้วแต่ตั้งอยู่ด้วยเหตุปัจจัยขณะชีวิตที่เราเป็นอยู่ในเวลานี้ก็ตั้งอยู่ด้วยเหตุและปัจจัยมีอาหารมีอากาศมีที่อยู่อาศัยมีเครื่องดูดหอยมียารักษาโรคหากเราปราศจากสิ่งเหล่านี้แล้วเป็นเครื่องเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราดำรงอยู่อันนี้คือพื้นฐานเลยนะเราก็ไม่สามารถที่จะดำร ง, งไม่สามารถที่จะดำรงอยู่ได้นั่นหมายถึงว่าชีวิตของเรานะี่ยไม่ได้มีอยู่โดยตัวเข้ามันเอง มันมีอยู่โดยอาศัยสิ่งต่างๆเป็นเครื่องประกอบเข้ามาหากตัวของเรามีอยู่โดยตัวของเราเองได้เราก็ไม่ต้องมากินข้าวไม่ต้องมาอาศัยสิ่งต่าง ๆ, ๆที่อยู่ในโลกนี้เราก็อยู่โดยโดด ๆ, ๆแต่มันอยู่ไม่ได้ไม่มีอะไรอยู่โดดๆโดยตัวของมันเองได้ในส่วนที่เป็นสังขารเนี่ยทุกอย่างประกอบกันขึ้นมาฉะนั้นแล้วความมีอยู่ที่พระองค์ทรงตัดถึงว่าความมีอยู่ของชีวิตหลังจากความตายนั้นจะต้องประกอบด้วยเหตุปัจจัยอย่างน้อยสามประการ พวงคิบอกว่าหนึ่งจิตจิตมีอยู่สองกรรมสามบีญญาทีนี้ไอจิตเนี่ยพุทีเจะไม่บอกว่าเป็นจิตเมื่อหลังจากตายแล้วพวงจะบอกว่าตัวตัณหาเพราะว่าตัณหานั้นมันเป็นตัวนำก่อให้เกิดกัน สื่อต่อบคบนั่นหมายถึงว่าถ้าไม่มีตัณหาการนําสื่อต่อบคบจะไม่มีเอาว่าตัณหามันอยู่ไหนก็ อ, อยู่ในจิตเราเนี่ยแหละขณะปัจจุบันนี้แหละจิตเนี่ยพอถ้าไม่มีจิตมีเพียงแค่าว่ากายสังขารเท่านั้นมีมีบิดากับมารดาอาศัยอยู่ร่วมกันผู้ย่อาบอกการเกิดไม่มีเด็ดขาดยืนยันและเป็นอย่างนั้นเพนั่นจะต้องมีตัวเขาเรียกว่าตัวคันทับภาเข้ามาอาศัยอยู่ตัวคันทับภาคที่ประกอบ กับตัณหานั่นหละถ้าคันท่าผ้านั้นไม่มีตัณหาวิจิตไม่มีตัณหาจิตดวงใดไม่มีตัณหาจิตดวงนั้นจะดับตัวของมันเองไม่มีการสื่อต่อคือมันจะสลายตัวของมันเองโดยอัตโนมัติกายสังข า, ารก็พิโร่งกายสังขารไปไม่ก็ขอทิ้งร่างกายในโลกมนุษย์นี้จิตก็ดับทุกอย่างไม่มีการสื่อต่อจะดำรงดำรงอยู่อย่างไรไม่ควรที่จะตั้งคำถามขึ้นมากับจิตที่ปราศจากตัณหาแล้วว่าควรดำรงอยู่อย่างไร อันนั้นเขาเรียกว่าเป็นความเป็นอิสระข อ, ของของของภาวะแห่งหลังจากที่ตายแล้วสําหรับจิตที่ไร้ตันหาเป็นภาวะพิเศษที่พรงษ์ทรงตักไว้นอกเนือจากการสืบเหตุผลเขาเรียกว่าปาจาัจจัยเหตุปัจจัยฉะนั้นแล้วก่อนที่จะมาเกิดแสดงว่าเราจะต้องเคยเป็นอะไรมาก่อนแน่นอน หมายถึงว่าเราจะต้องดำรงอยู่ในภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนมาก่อนหน้านี้แน่นอนจึงถูกเหตุปัจจัยคือความเป็นบิดามารดาดึงเข้ามาสู่การตั้งครรภ์ดึงมาพอดึงมาปั๊บเกิดมีเราขึ้นเป็นก้อนในท้องแต่ความรู้สึกของเรายังไม่มีแล้วก็ดำเนินมาจนถึงการคลอดจนเขาเรียกว่าลืมตาดูโลกแล้ ว, ลวกเกิดความรู้สึกในกายสังขารนี้ ด้วยสัญชาตญาณนี่คือตัวเรามาตลอดตั้งแต่วันนี้นะตั้งแต่ตอนที่เป็นหารกรู้สึกว่าเป็นเราเป็นเราทําทุกอย่างด้วยความรู้สึกว่าเป็นเราเป็นเราเป็นเราความรู้สึกที่ว่าเป็นเราเป็นเราเป็นเราที่เราทําอยู่ตลอดเวลาเนี่ยตัแต่เริ่มรู้สึกมาเนี่ยมันจะปอเป็นอัตตาตัวตนอยู่ในภายในอีกชั้นหนึ่งเป็นชั้นของความเห็นชั้นของความรู้สึกไอ้ชั้นนี้ดิมันเป็นนามธรรมไม่มีใครมองเห็นแต่พระเจ้ารับรู้ได้แล้วก็มองเห็นได้ เพรานนะนั้นไอ้ชั้นอัตราที่ความรู้สึกว่าเราทํานั่นเราทํานี่ทำทำั้งทำดีทดั้งทําไม่ดีทั้งหมดเป็นอาตาัอาตราทั้งหมดอัตราคือส่วนผสมของจิตกับอารมณ์ที่มันกระทบกันและเราไม่รู้จักไม่รู้จักแยกอารมณ์ออกจากจิตเมื่อเราไม่รู้จักก็เลยส่วนผสมของจิตกับอารมณ์ที่ก่อให้เกิดเป็นตัวตนขึ้นมาเป็นอัตราขึ้นมา มันสะสมทีละนิดทีละนิดทีละนิดทีละนิดทีละนิดแต่วัยเด็กจนถึงทุกวันนี้จึงเกิดเป็นตัวตนชนิดที่เรียกว่าเป็นอุปนิสัยเป็นนิสยัยเป็นอะไรที่แสดงออกมาตามสิ่งที่เราสร้างตัวอัตตานี้ขึ้นมาแล้วอัตตาตัวเนี้ยถ้าไม่ได้รับการตอบสนองในความอยากมันก็จะเป็นมีแรงผลักดันอยู่ภายในให้การทําสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามความตอบสนองตามความอยากฉะนั้นแล้ว หากเราจะมองเห็นภาพของชีวิตให้มันเข้าใจตามหลักแห่งสัจจ์แล้วเราจะทราบว่าความเป็นอยู่ของกายสังขารคือความเป็นอยู่ของกายสังขารที่อาศัยเหตุปัจจัยกันป่อเกิดขึ้นแม้เมื่อหลังจากละชีวิตไปแล้วเหตุปัจจัยที่จะก่อให้เกิดมีชีวิตหลังความตายนั้นจะต้องมีอย่างน้อย3ประการก็คือหนึ่งตัณหาสอง กรรมคือการกระทำสามวิญญาณวิญญาณทำหน้าที่เพียงแค่สืบต่อเท่านั้นเองปฏิสัณฑที่สืบต่อโดยอาศัยเหตุปัจจัย3ประการนี่สืบต่อฉะนั้นตัณหาคือสิ่งที่เกิดอยู่กับจิตเราอยู่ตลอดเวลากรรมคือสิ่งที่เรากระทำไปพร้อมกับตัณหาที่เกิดกับจิตเราวิญญาณก็สืบต่อตัวตัณหาและจิต ไปด้วยกันทุกทุกขณะใช่ไหมคือสิ่งใดก็ตามที่เรากระทำลงไปเนี่ยทั้งหมดที่เรากระทำลงไปมันเป็นกรรมมันจะเกิดเป็นผลรวมเมื่อล่าชีวิตไปแล้วผลรวมตัวเนี้จะเป็นพลังผลักดันไปสู่ภพหากเรามองอดีตการแสดงว่าเราเคยมีชีวิตก่อนที่จะมาเกิดเนี่ยอยู่ในภาวะอย่างใดอย่างหนึ่ง ม, มาก่อนแต่เราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรต่อเมื่อได้เกิดม า, มาเกิดแล้วอยู่ในท้องเราก็ไม่รู้หรอกพอคลอดขึ้นมาเราถูกซอน ให้รับรู้โลกต่างๆที่เราเห็นอยู่ในเวลานี้ทั้งหมดเราต้องถูกสอนเพราะเราไม่มีความรู้มาแต่เดิมเราต้องถูกสอนว่าอันนี้เป็นนั้นๆเราถูกสอนมาแล้วก็เรายึดถือแล้วว่จดจําสิ่งเหล่านั้นการยึดถือและจดจํานั้นคือเราต้องเข้าใจว่าเป็นการถูกใส่ข้อมูลจากบิาบดามารดาจากคนข้างเคียงจากสถานที่ที่เราได้ไปศึกษาเรียนรู้แล้วก็ในที่ต่างๆแม้แต่ในทางศาสนาเองก็ถูกใส่ข้อมูล ผ่านเข้ามาภายในตัวันะชีวิตของเราพระพุทธเจ้าจึงอมองชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยที่มีเหตุปัใจจัยให้เขาได้กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะเป็นตัวกรรมมาจากสิ่งที่บอกสอนมาทั้านั้นเลยถ้าเขาไม่ได้รับการบอกสอนมาเขาจะไม่รู้จักการกระทาว่าเขาควรจะทำอะไรแบบไห น, นเขาไม่รู้จักว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดี ฉะนั้นแล้วผู้เรียนมอกว่าชีวิตที่ถูกเหตุปัจจัยสิ่งเหล่าเนี้ยปลูกแต่งมาโดยตลอดอันนี้ยังไม่พูดถึงการที่จะสมผลมาจากปานก่อนว่าจะให้เราได้ไ ด, ได้ผลดีหรือผ ล, ลายหรือผลอะไรก็ตามนะอันนี้ไม่ได้พูดถึงพูดถึงเพียงแต่ว่าการที่เราจะตัดสินใจลงไปทําอะไรอันหนึ่ง ล, ลงไปเนะี่ยด้วยความรู้สึกว่าเราเป็นผู้กระทําไอ้ตัวคําว่าเราเป็นผู้กระทํานั่นนะมันคือปัญหาที่จะต้องมาทําการคลี่คลายนั่นหมายถึงว่าไม่ได้ไม่ได้ห้ามการกระทํานะ หมายว่าเรากระทาชีวิตหรือว่าใช้ชีวิตโดยปกติเป็นเพียงแต่ว่าความรู้สึกที่เขาไปเข้าไปยึดตัวผู้กระทำหรือตัวการกระทาว่าเราเป็นผู้กระทาทุกอย่างที่เรามีความรู้สึกอย่างนั้นการกระทาทั้งหมดมันจะเป็นผลรวมตกมาสู่จิตที่จะไปสู่การเกิดในภพต่อไปคือมันสืบต่ออยู่ในตัวของมันอยู่ยตลอดเวลาทั้งในขณะนี้และขณะต่อไป สแสดงว่าชีวิตของเรานั้นน่ะที่เป็นอยู่ตั้งแต่เป็นเด็กจนถึงตอนนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องราวของข้อมูลคือเราใช้ชีวิตไปตามข้อมูลที่เราได้รับมาถ้าเราไม่ได้รับข้อมูลที่แตกต่างจากข้อมูลเดิมเราก็จะทําเรื่องราวเหล่านั้นซ้าๆอยู่กับเรื่องเดียวที่เรารับทราบมาแต่พอได้รับรู้ข้อมูลใหม่เราจะทําใหม่รับรู้ใหม่เราจะทําใหม่ ฉะนั้นแล้วตัวที่กระทําลงไปที่เป็นตัวกรรมเนี่ยมันจะเป็นตัวกําหนดคือมันจะเป็นผลที่จะกําหนดชะตาชีวิตในวันข้างหน้าว่าชีวิตเราจะเป็นไปอย่างไงพระนั้นพระเจ้าจึงบอกว่าเมื่อชีวิตมันมีอดีตการมีปัจจุบันาการก็ต้องมีอนาคตาการและเมื่อการมันมีอย่างนี้มันก็ต้องสื่อต่อการอย่างเนี้ไปเรื่อยเมื่อ ม, มีการเกิดอีก ก็ต้องมีอดีตนั่นหมายถึงว่าขณะปัจจุบันนี้มันจะกลายเป็นอดีตไปในสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายในภาคหน้าสภาพปัจจักล า, ายเป็นอดีตไปแล้วสิ่งที่เป็นอยู่ในขณะ น, นี้จริงๆมันก็เป็นอดีตไปเรื่อยๆแต่เราขาดการกำหรู้และขาดการมองหากเราได้รู้แล้วเข้าใจแล้วเราจะเกิดข้อมูลใหม่ที่เป็นความเห็นที่จะเข้าไปทําลายตัวตนที่เราเคยยึดถือในตัวเราที่เราเข้าใจว่า นี่คือสิ่งที่เที่ยงแท้กายสังขารเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้อย่างเงี้ยจิตเป็นสิ่งที่เี่ยงแท้เรามันจะเข้าไปทําลายความเห็นพวกเนี้ยความเห็นเ ด, ดมิดมๆที่เกิดการเลือกความรู้สึกที่เรายึดถืออยู่ในตัวเราเนี่ยว่าเป็นเรามันจะถูกทําลายไปแต่มันไม่ใช่ทำลายพังทลงายทีเดียวแล้วมันจะทําลายทีละนิดทีละนิดทําลายในชั้นของความเห็นทุกวันทุกวันทุกวนันเขาเรียกวา่ามีความเห็นใหม่เข้าไปเปลี่ยนความเห็นเดิมแล้วก็จะเกิดความเปลี่ยนความรู้สึก ต่อไปมันจะเกิดเอ๊ะเอ๊ะนี่ไม่ใช่ตัวเรามันจะเริ่มรู้สึกแต่นั่นจะถามหาว่าตัวเราอยู่ที่ไหนนะครับมันก็ต้องมันก็ต้องเกิดความสงสัยในขณ ะ, ะที่ได้เข้าใจได้เรียนรู้นั่นทำไมที่ว่าเราจะให้ข้อมูลชีวิตของเราเข้าไปสู่ภายในตัวเราเนี่ยได้ยังไงเพราอเพราะว่าข้อมูลทั้งหมดอ่ะมันจะทําให้เราตัดสินใจที่จะกระทํากรรม กรรมก็ตเป็นตัวสมผลแน่นอนกรรมมันเป็นตัวสมผลได้ยังไงการกระทํามัอยู่สาประการพี่เจ้ากุศลกรรมหรือว่ากรรมดีอกุศลกรรมกรรมที่ไดีอัพยากตกรรมกรรมที่เป็นกลางๆดีหรือไม่ดีเป็นยังไงกุศลกรรมพี่เจ้าบอกว่าประกอบไปด้วยประโยชน์อกุศลกรรมพี่เจ้าบอกประกอบเป็นไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์อัพยากตกรรมจะเป็นประโยชน์ก็ไม่ใช่ไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ใช่ ทีนี้เราจะทําให้เห็นว่ากรรมมันส่งผลต่อเราทุกๆขณะได้อย่างไงหรือว่าเรามือตกพื้นตกไปในตอนนี้ตกไปอย่างแรงในตอนนี้เห็นไหมมันส่งผลต่อเราไหย<ไ>ใช่ไหมเงั่อนคือการจะทําอย่างหนึ่งนะ<ไ>แต่ยังเป็นกลางๆอยู่ไม่ได้จัดว่าดีหรือเลวใช่ไหมแต่ถ้ามือเราไป กูว่าใส่คนอื่นน่นทำไงเป็นเรื่องเนเือเลยใช่ั้ยทุกอย่างมันมีผลซพอนย้อนกลับมาหาผู้กระทำทั้งหมดพระเจ้าจะบอกทำยังไงถึงจะสามารถดับกรรมได้เพราะถ้ายังไม่ดับกรรมเนี่ยแน่นอนว่าการเป็นไปในภพชาติที่เอจะต้องเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกเนี่ยไม่มีทางสิ้นสุดเพราะกรรมเป็นตัวสมผลอยู่ตลอดเวลา องค์จึงสอนให้เห็นความไม่เที่ยงของร่างกายคําว่ามีเที่ยงในความหมายผูคือมันเป็นสิ่งที่ต้องต้องร่วงไปละไปดับไปหมดไปสิ้นไปตรงนี้ยเราต้องเห็นนะเป็นเรื่องที่เราต้องเห็นนะเพราะถ้าเราเห็นแล้วมันจะไปถ่ายทอนความเห็นที่เคยรู้สึกว่ากลายเป็นเราเราเป็นกายกายมีในเราเรามีในกายเรากับกายเป็นในเดียวกันมันจะทําลายความรู้สึกนั้นการที่พระองทรงตรัสสอนให้เราเข้าไปเห็นน่ะพวงให้ ใช้เขาเรียกว่าอตีตตังสยานอย่างที่ย้อนไปในอดีตอดีตคือการเกิดของเราไม่ใช่การเกิดของชาติที่แล้วนะย้อนไม่ได้หรอกคือเอาชาติเนี่ยว่าตอนเป็นเด็กมันชีวิตตอนเป็นเด็กมันดับไปยังไรชีวิตตอนที่เป็นฮารกมันดับไปยังไรตอนที่เป็นเด็กวัยรุ่นมันดับไปยังไรชีวิตที่ตอนที่เราเข้าโรงเรียนเป็นยังไงตอนที่โตขึ้นมาแล้วเป็นยังไงมันดับไปยังไงวันคืนล่วงไปล่วงไป เราใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้กี่ปีแล้วแล้วพาไปของชีวิตแต่ละปีแต่ละปีมันไม่ใช่ว่าดับไปปีหนึ่งและชีวิตหมดไปไม่ใช่นะทุกๆขณะทุกๆ ท, ท, ที่เข็มวินาทีกดิกครั้งหนึ่งชีวิตเราดับไปแล้วอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นพระองค์จึงบอกอยู่ในหลักคำสอนอยู่เส ม, มอว่าวันคืนร่วมไปร่วมไปมันไม่ได้ร่วมไปเฉยๆมันเอาชีวิตกับใบของเราไปไปทุกๆขณะทุกๆขณะคืน หากเราไม่เห็นตามหลักคําสอนวิชีพของเรามันเป็นของดับไปดับไปดับไปดับไปหรือสิ้นไปอยู่ทุกข์กันความเสื่อมความสิน้นลื้อมันแสดงออกถึงความไม่เที่ยงความแปรปวนหรือว่าความไม่คง ท, วทาวรในตัวของกายสังขารหากเราไม่เห็นตัวเนี้ยหากเราไม่เข้าใจตัวเนี้ยมันจะทําลายความเป็นตัวตนไม่ได้เลยมันจะยึดทั้งหมดยึดตั้งแต่เส้นผมคนเล็บฟันดังเนื้อเอ็กระดูกเยื่อในกระดูกดมาเข้าใจตับมือ ไ, ไตปอด ท, ทั้งทุกส่วนแม้แต่ปลายเล็บเองของเรานี่หว่าปลายเล็บใช่ไหมเล็บของเรา ยังรู้สึกว่าเป็นของเราอยู่เลยมันยังติดอยู่กับเราอยู่ยังไงแต่ถ้าตัดออกไปทิ้งแล้วไม่ใช่ของเราแล้วก็ของเราอยู่แต่ความรู้สึกยึดถือไม่มีแล้วไงถ้าตัดออกก็สึบเรื่องมาจากตัวเองทิ้งแล้วกันแล้วไม่ได้เอามาสนใจเล็บตัดไปเท่าไหร่แต่ถ้ายึดอยู่กับตัวเราเนี่ยตัวที่ยึดอยู่เนี่ยเราก็ยังรู้สึกว่าเป็นตัวเราฉะนั้นแล้วการพิจารณาร่างกายแยกส่วน เส้นผมขนเลือดฟันเลือดเอ็นกระดูแยกส่วนออกไปแต่ละส่วนแต่ละส่วนแต่ละส่วนในส่วนที่มันรวบไปแล้วรับไปแล้วดับไปแล้วหมดไปแล้วสิ้นไปแล้วในแต่ละภาวะแต่ละช่วงของเวลามันทําให้เราเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจเข้าใจตัวเราเองมันหน้าแปลตรงที่ว่าเราอยู่กับตัวเราตลอดยีบสี่ชั่วโมงแต่เราไม่เคยเข้าใจตัวเราฉะนั้นแล้วมันจึงเกิดกลายเป็นการสร้าง ตัวตนจากความเห็นที่เราไปเข้าใจภายในตัวของเรา เ, าเองขึ้นมาว่ามิตนี่คือตัวเราเราจึงกระทําทุกอย่างตอบสนองต่อสิ่งที่เราเกี่ยวขอ้องด้วยอำนาจแห่งตัณหาความอยากในภายในทีนี้ตัณหาเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ เ, เรื่องเลวร้ายอะไรหรอกตอนเป็นสิ่งที่ต้องมีอยู่ในดงจิตลงใจทุกคนทุกคนมีความอยากเปนเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าผู้ที่จะสอนให้รู้และเข้าใจ ในภาวะแห่งชีวิตของเราในปัจจุบันเนี่ยไอตัวรู้แลกความเข้าใจตัวนี้นี่เองมันจะไปสร้างเหตุผลอยู่ภายในแม้ตันหาจะเกิดขึ้นมามันก็จะเริ่มมีเหตุมีผลที่จะกระทําตามหรือไม่กระทํำต่ อ, ตอนหน้าแห่งตันหาหมายถึงว่าเราไม่ควรจะคิดว่าเราจะต้องดับตันหาใช่แต<ช>่คอยดูตันหาไปถูกไม่มีใครดับตันหาได้ปัญหาจะยังอยู่ในจิต ของพระอนาคามียังอยู่แต่จะไม่อยู่ในจิตของพระอาหารหันต์นั่นหมายถึงว่าตัณหาอันที่จะนําก่อภพชาตินะจะไม่มีอยู่ในจิตของพระอรหันต์แต่ในจิตของพระอนาคามีก็ยังมี mm hmm. เพราะฉะนั้นตัณหาจะดับไปได้ก็ต่อเมื่อเราสร้างอริยบัคห้เต็มเราจะพยายามเข้าไปดับตัณหา ม, มีทางดับมันได้จึงไม่มีความจําเป็นใดๆที่จะเข้าไปดับและให้มีประโยชน์เลยที่จะเข้าไปดับ และอีกเหตุผลหนึ่งที่เราไม่จําเป็นต้องไปดับตัณหาก็คือตัณหามันดับได้ด้วยตัวของมันเองแต่การที่เราเข้าไปดับนั้มันเป็นการสร้างกรรมใหม่ชนิดที่เราไม่เข้าใจจากการที่เราพยายามจะเข้าไปดับวิธีที่จะเข้าไปดับตัณหาที่เราเข้าใจคือต้องทําสมาธิต้องทำคุณงามความดีตัณหาจะดับไปหรือพยายามไปควบคุมจิตจริงๆไม่ใช่ เมื่อเราเข้าใจตามความเป็นจริงแล้วว่าตัณหามันเกิดเองได้และกระดับเองได้ด้วยตัวของมันเองเราเปลี่ยนเพียงแค่ทําความเข้าใจในขณะที่มันเกิดคือคนไงแบบมีเหตุผลสร้างเหตุผลขึ้นมาภายในตัวเองเพื่อที่จะกระทําตามหรือไม่กระทําตามการทำตามตัณหาไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเสมรอไปหรือการไม่ทําตามตัณหาเป็นเรื่องที่ดีเสมอไปเข้าใจไหมแต่การรู้จักตัณหาตามความเป็นจริงที่มันเกิดและมันดับอันนี้คือเรื่องของปัญญา ฉะนั้นตัญหาไม่ได้เป็นตัวกําหนดความดีหรือความไม่ดีแต่ตัญหามันเป็นเรื่องที่แสดงอาการต่อสิ่งที่เรารับรู้รับทราบรับสัมผัสอยู่เราต้องการสิ่งนี้เราต้องการสิ่งนั้นเราไม่ต้องการสิ่งโน้นมันมันเป็นเรื่องที่แสดงให้เราได้รับรู้รับทราบแต่ถ้าเรามีเหตุผลพอปัญหามันก็มันก็จะดับตัวในตัวของมันเองจะทําทการให้ได้ตามตัญหาหรือไม่ทําตามตัญหาถ้ามีเหตุผลเพียงพอในตัวเองในการที่จะกระทาลงไป มันก็ไม่นิยลดำสื่อสู่การสื่อต่อภพชาติเพราะพระอาจารย์พูดไปแล้วว่าเหตุปัจจัยการนำสื่อต่อบชาติมีอยู่สามตัณหากรรมแล้วก็วิญญาณไม่มีตัณหาตัวเดียวการสื่อต่อภพชาติไม่สามารถสื่ต่อได้วิญญาณกับกรรมเนี่ยมันก่อให้เกิดภบชาติไม่ได้ก่อให้เกิดตัวตนหลังจากตายไปแล้วไม่ได้ แต่ถ้ามันไม่มีวิญญาณไม่มีกรรมแต่ยังมีตันหาอยู่ผู้ย่อบอกเป็นไปไม่ได้ที่ตันหายังมีอยู่โดยปราศจากกรรมและวิญญาณมาอาศัยกันนั่นหมายถือว่าทุกอย่างต้องพร้อมมูลอย่างน้อยเหตุปัจจัยสามประการนี้เท่านั้นจึงก่อให nee. ้เก <T> ิดการมีอยู่เพราะชีวิตของเราอาศัยอาหารลมหายใจเป็นอาหารไหม เป็นพุทเจ้าใ ช, ใช้ก็ว่าเป็นอาหารอะไละเอียดตับบริการอาหารอาหารเป็นคำคำจิตก็ยังต้องมาใช้อาหารเลยอ า, อาหารของจิตคืออะไรรู้ไหมความคิดความคิดอ่า<ใ>นได้คำเดียวความนะ อ, อาหารของจิตก็คือวิญญาณผัสสะแล้วก็ความคิดความคิดนี้ต้องพูดในแง่ของจงใจ คิดธรรมดาเนี่ยไม่ใช่อาหารเข้าใจไหม <c oughs> คิดโดยที่ไม่ได้จงใจเนี่ยไม่ใช่อาหารแต่ถ้าเป็นความจงใจคิดจึงจะเป็นอาหารของจิตจงใจคิดเขาเรียกมโนโสังเจตนาแล้วความคิดที่มันขึ้นมาแบบเลืยเปอนไม่ได้เรียกาอั น, นั้นไม่ได้เป็นอาหารอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นอารมณ์นนใช่เป็นอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาในจิตเป็นอติตาลมอารมณ์ที่เป็นไปในอดีตบ้างอารมณ์ที่เป็นไปในอนาคตบ้าง แต่ถ้าจงใจคิดต่อจากเรื่องนั้นอันนั้นเป็นอาหารอเคจงใจนี่หมายถึงหมายถึงว่าค่ะมีเรื่องเราเรื่องเราใดๆก็ตามผุดเกิดขึ้นในจิตโดยที่เราไม่ได้คิดมันนะเมื่อมันผุดเกิดขึ้นมาปุ๊บถ้าเราไปจงใจคิดต่อคือไปตั้งจิตคิดต่อเรื่องนั้นนั่นคือเป็นอาหารแต่เรื่องที่ผุดขึ้นมาไม่ให้อาหาร เกิดขึ้นมาแล้วถ้าเราคอยดูรู้แล้วดับแล้วมันก็จะดับของมันเองใช่ถ้าเรามีความรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นว่าอันนี้อันนี้เป็นเรื่องของการเกิดขึ้นของอารมณ์หรือว่าความคิดที่ปาศจากเจกตนามันก็จะดับถ้าเรารู้สึกตัว<ม>ดับปั๊บมันมันก็ไม่เป็นไม่เป็นตัวที่จะก่อให้เกิดมโนสัเกตนา<ม>ในเรื่องนั้น แต่มันจะเป็นมโนสังเจตนาในอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องความรู้ความรู้ของเข้าใจมันจะต้องอาศัยอาหารแต่อาหารที่จิตจะรับนะ่ะมันจะเป็นพวกอาหารประเภทอะลิยมามะที่ควรที่จะทําขึ้นนะนะเป็นควนรควรที่จะสร้างขึ้นนแล้วอะลิยามะอะลิยามะก็เป็นอาหารอีกหนึ่งแต่อะลิยามะนั้นจะเป็นอาหารเรื่องของตัวเอนเรานำมาประกอบกับจิตหรือว่ามาเป็นมโนสังเกตนาในจิต คือสมาธิถีคือความเหตุที่ถูกต้องนํามาประกอ บ, บกับกินถึงจะเป็นอาหารแต่อาหารของอที่เป็นอริยมรรคเนี่ยสมาธิถี่มรรคเนี่ยไม่ใช่อาหารที่จะนําสู่พบชาติเป็นอาหารที่จะดับภพบดับชาติหมายถึงว่ากินตัวนี้แล้วเนี่ยจิตของเรานะถ้ากินอริยมรรคเนี่ยอยู่ตลอดเวลามันจะดับการเกิดในภพ แต่ถ้าเราไปกินอารมณ์จิดถ้าเรากินอารมณ์อารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางนิ้วทางกายทางใจเองก็ตามอารมณ์ที่เป็นไปในอดีตอารมณ์ที่เป็นไปในส่วนของอนาคตแม้แต่อารมณ์ในปัจจุบันถ้ากินอารมณ์พวกนี้โดยที่ไม่เข้าใจไม่มีปัญญาอันนี้มันจะเป็นไปเพื่อก่อให้เกิดภพเราวอาหารที่เป็นอรอยิยมรรคที่เราต้องใช้อาหารปัญญาก็คือความเห็นความเห็นใช่เห็นกายตามความเป็นจริงกับเห็นจิตตามความเป็นจริง เห็นอยู่สองประการเนี่ยโดยสร้างมโนสังเกตนานในความเห็นนี้คือความจงใจที่จะรู้จงใจที่จะรับรู้รับทราบกายตามความเป็นจริงตั้งใจที่จะรับทราบจิตตามความเป็นจริงรู้กายจิตรู้จิตเนี่ยที่มันมีอยู่ทีนี้เราบอกกายรารู้ได้มันปรากฏชัดแต่จิตเราจะรู้ที่ไหนก็ต้องรู้ที่อารมณ์ถ้าไม่มีอารมณ์ก็ไม่มีจิต อารมณ์ในจิตมีอะไรบ้างเวลาเราเรามองเข้าไปในจิตก็จะมีพอใจไม่พอใจสุขทุกข์็น่ไหมละ่ะฟุ้งซ่านลาคาญหงุดหงิดโมโหดีใจเสียใ จ, ยใจก็ก็ทั้ทงนั้นแหละคืออารมณ์ใดก็ตามที่เจ้าก็บอกว่านั้นการเกิดขึ้นของอารมณ์คือการเกิดขึ้นของจิตการดับไปของอารมณ์คือการดับไปของจิตเพราะเราจะไม่สามารถเห็นจิตได้ง่ายๆพระเจ้าจึงสอนให้เห็นอารมณ์ก่อน เหมือนกับการที่พระเจ้าจะสอนให้เราเห็นทุกข์ก่อนจึงไปรู้เหตุหมายถึงว่าทุกข์อยู่ที่ไหนเหตุให้เกิดทุกข์ก็อยู่ที่นั่นอารมณ์อยู่ที่ไหนจิตก็อยู่ที่นั่นเพราะอารมณ์จะปรากฏกับจิตเท่านั้นจะไม่ปรากฏกับสิ่งที่ไม่ใช่จิตปอารมณต่างความดีใจไม่สามารถมาปรากฏกับกายได้ความโกรธก็ไม่สามารถปรากฏกับกายได้แต่กายรับผลของความโกรธได้ จะปากดกับจิตเท่านั้นหากปาศจากจิตแล้วไม่มีอารมณ์เข้าไปกระพบจิตกายก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ตอบสนองตอนฉะนั้นจิตจึงเป็นเพียงแค่ผู้รับทราบอารมณ์ผู้รับอารมณ์เป็นที่รับอารมณ์เป็นที่ไหลรวมลงสู่ของอารมณ์ทั้งหมดเท่านั้นเอง มันไม่มีอะไรไม่มีไม่มีเรื่องราวที่จะเป็นตัวเป็นตนเป็นเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่เราเข้าใจว่าอะไรสักอย่างเป็นตัวเราอยู่ภายในกายสักขานี้ไม่มีความเห็นจะบอกเราความรู้ความเข้าใจมันจะบอกเราเห็นกายตามความเป็นจริงเห็นจิตตามความเป็นจริงมันจะบอกเราเองเมื่อเราเห็นกายเป็นสิ่งที่ลวงไปล่าไปดับไปหมดไปอยู่ตลอดเวลาและเป็นปัจจัยแม้ขนาดเป็นอยู่ก็เป็นแค่เพียแค่ปัจจัยปรุงแต่งด้วยป่อเกิดให้มีอยู่ให้ดําเนินไปอยู่ถ้าเราหยุดลมหายใจในขนาดนี้แล้ว ชีวิตก็ยุติเพียงแค่นี้แต่ถ้าเรายังเรายังมีลมหายใจอคือมันยังปุงแต่งถูกคุงไปเรื่อยลมก็คือเป็นอาหารของจิตจิตเองก็เหมือนกันเมื่อเรารู้กายตามความเป็นจริงอย่างนี้รู้จิตโดยการมันเกิดมันดับตามอารมณ์ที่มันเกิดมันดับเมื่อเรารู้ทั้ง2ส่วนประกอบกันความรู้ทั้งสองส่วนนีนนนน้มันจะเป็นข้อมูลเข้าไปทําลายล้างและหักล้างข้อมูลที่เราถูกูฟังมาตั้งแต่เด็กหรือก่อนที่จะมาเกิด มันจะทําลายร่างของเลยฮารอ่ะหมายถึงว่าถ้ามีอารมณ์อะไรเข้ามาก็คอยบอกปัญญาให้กับตัวเองว่าเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็ั น, ก า, ก, นการบอกเป็นเพื่อเป็นการสร้างความรู้สึกตัวในขณะปัจจุบันให้เห็นแต่มันจะดับหรือไม่ดับเป็นเรื่องของอารมณ์ไม่ใช่เรื่องของผู้บอกยินยีพอที่ที่ถ้ามันถ้ามันมีอารมณ์ขึ้นมาแล้วมันก็ยังมี เพราะนี่มันมันมันมันดึงเราไว้ต่างค้างมันปกค้างมันค้างอยู่เหมือนกับมันไม่หายไปทันทันที่เราก็รู้รับรู้มันอยู่แสดงว่าจิตมีการเสวยอารมณ์นั้นโดยที่เราไม่รู้ตัวในขณะที่เกิดเราเรารู้ไม่ไม่ทันมันมีการเสวยอารมณ์ไว้การเสวยมันก็เลยต้องมีเหมือนกับค้างเหมือนกับกินข้าวมันก็อิ่มความอิ่มก็ต้องค้างอยู่ในตัวเรามันก็ต้องมี มันเป็นผลจากการเสวยของอารมณ์ถ้าเรารู้จริงๆถ้าเราเข้าใจขนาดที่มันเกิดจริงๆรู้ทันมันจริงๆมันจะไม่มีผู้เสวยมันจะมีอาการที่แสดงขึ้นมาแล้วก็เห็นปั๊บมันก็ถูกลำ ร, รู้ตัวที่เกิดขึ้นมาถูกรับรู้กระดับไม่มีการเสวยแต่ถ้าเรายังไม่รู้ไม่ทันมันมีขนาดของจิตที่จิตยังไม่รู้ไม่ทันแล้วกลับไปเสวย อ, อารมณ์มันเลยทําให้ผล จากการเสวยนะทำให้อารมณ์นันคงอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายเราก็รับรู้อยู่ตลอดอ๋อนี่คือการตั้งอยู่ของอารมณ์มันจะค่อยๆคลายไปเราค่อยๆเลอกโสดเองใช่ถูกต้องนั้นคือเรียนรู้อย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าสติเราจะไปรู้ทันตอนที่มันเกิดแล้วจะไม่มีการเสวยผลเมื่อมันรู้ทันปั๊บไม่มีการเสวยปั๊บมันก็จะดับอในตัวนั้นแต่ก็จะมีเป็นอารมณ์ตั้งค้างอยู่ในจิต และจจำไว้เลยว่าไม่มีอารมณ์ใดตั้งค้างอยู่ในจิตได้จำไว้ไม่มีทุกอารมณ์ที่ปรากฏกับจิตล้วนแล้วแต่ดับไปพร้อมกันกับจิตนั้นไม่สามารถตั้งค้างอยู่ได้สุปทุกไม่สูงเอาความสูงแต่ตอนเป็นเด็กมันหายไปไหนถ้าว่ามีอยู่ <c oughs> ความทุกแต่ตอนเป็นเด็กมันหายไปไหนมันไม่สามารถตั้งค้างอยู่ได้พวกนี้ เป็นสิ่งที่ปากรดให้รับซ่าแล้วก็ดับไปหมดไปสิ้นไปเหมือนกันกันกบกายกายก็ดับไปหมดไปสิ้นไปความสุขความทุกข์ก็ดับไปหมดไปสิ้นไปความโกรธความโมโหความรัคาหงุดหงิดพอใจไม่พอใ จ, อใจมันก็เป็นของดับไปสิ้นไปเสื่อมไปโฆษณาจะสอนแต่เรื่องพวกเนี้ยเพื่อให้เกิดปัญญารู้กายรู้จิตคือรู้ตัวของเราเองตามความเป็นจริงหาเรารู้จักตัวของเราตามความเป็นจริงแล้วเราจะดำเนินชีวิตในโลกนี้ด้วยสติและก็ปัญญา เราจะมีเหตุผลเพียงพอต่อการการะทําที่เราจะกระทําในแต่ละสิ่งแล้วเราทําสิ่งนี้สิ่งนั้นสิ่งน้นมันจะไม่เป็นผลกรรมสืบต่อเข้าไปก่อให้เกิดพพชาติเร้ความชอบชาตความชอบชัติก็คืออารมณ์เหมือนกันนะคะมันเป็นเรื่องออเป็นเรื่องของอารมณ์ที่ต้องเกิดกับจิตพราะถ้าเราไม่รู้จักอารมณ์ที่เกิดกับจิตว่าอารมณ์นี้ เป็นอารมณ์อะไรพอเหมือนกันน่ะแหละที่พูดตั้งแต่แรกว่าจิตมันคือจิตมันไม่ได้มีความชอบหรือความชังอยู่ในนั้นะเพราะมันเป็นตัวรอรับการกระทบสิ่งที่เป็นความชอบความชังมันมาจากเหตุปัจจัยอันน่าพึงพอใจกับไม่น่าพึงพอใจอันที่น่าพึงพอใจก็ชอบอันไม่น่าพึงพอใจก็ชังถ้าภาษาบาลีพุทเจ้าจะรูว่า ปลาค่าปฏิฆาพอใจกับไม่พอใจสองอย่างพอใจจะปกป้องไว้ไม่พอใจก็ผลักออกปฏิเสธไม่ต้องการฉะนั้นแล้วเรื่องราวของชีวิตเรามาักจะอยู่กับเรื่องราวสองเรื่องราวนี้เป็นส่วนมากคือพอใจกับไม่พอใจพอใจก็เก็บไว้ไม่พอใจก็ผลักออกปฏิเสธไม่ต้องการหลีกเลี่ยมและวร็ใส่ปัหาในสิ่งที่เราพอใจ คุยไงดึงเข้าผักออกดึงเข้าผักออกแต่พระพุทธเจ้าพระยาเจ้าท่านจะไม่มีปฏิกิริยาทางจิตอย่างนั้นท่านจะรับทราบสิ่งที่น่าพอใจว่านี่คือสิ่งที่น่าพอใจท่านจะรับทราบสิ่งที่ไม่น่ไม่น่าพอใจว่านี่คือสิ่งที่ไม่น่าพอใจมันเกิดมาจากเหตุของมันเมื่อดับไปก็หมดเหตุของมันเมื่อหมดเหตุของมันก็ดับเมื่อมันมีเหตุที่จะ้มามันก็คือ หมดเหตุทั้งมันก็ดับไม่เอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องแต่บุตรชนทั้งหลายหรือคนทั่วไปจะเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่นาพอใจและไม่นาพอใจอยู่เสมออยู่ตลอดเวลาอพอเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจระดับนไหนอาจารย์พัชกี้ที่ พูดถึงอารมณ์ท้าอย่างในกรณีกรอนะคะอะที่ที่น้องถามว่าพอเรารู้แล้วแต่ว่ามันยังมีค้างอยู่ซ<ม>ึ่งหมายถึงว่าตอนแรกอ่ะเราเข้าเข้าไปอยู่ในอารมณ์โกรธคือไม่ทันรู้ตัวใช่ไหมคะจะายไม่ใช่เข้าไปอยู่ในอารมณ์โกรธเราไปเป็นพลุกะนะเพราะว่าอารมณ์มันจะตั้งค้างอยู่ได้ก็ต่อเมื่อมีการสะบัดผละนะ สเสวยอะไรอารมณ์โกรธเป็นสิ่งที่เราไม่พอใจอยู่แล้วใช่ไหมใช่จัดอยู่ในปฏิฆะคืออารมณ์เนี่ยมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่กิเลสนะแต่ว่าจากการที่มันมันไปสเสวยมันจะเกิดปฏิฆะขึ้นเมื่อมีการสเสวยปุ๊บปฏิฆะต้อเกิดขึ้นมากระทบกับจิตคืออารมณ์ดึงอารมณ์เนี้ยมากระทบกับจิตมันเหมือนกับว่ามันตั้งค้างแต่ทีนี้นกินแล้วมันเป็นเรื่องของปฏิฆะ ที่พยายามดึงอามเนี่ยคือมันเมื่อมันกินแล้วนะมันมันกินเข้าไปแล้วน่ะมันก็ต้องมันเสวยไปแล้วก็มันเสวยไปแล้วแล้วบอกว่ากินข้าวอิ่มแล้วหรอกเ้ยให้มันหายอิ่มให้มันหายอิ่มไอความอิ่มอย่าปรากฏมันได้ไหมหล่ะจนกว่ามันจะหิวอีกทีนึงเนี่ยได้ไหมหล่ะมันถึงจะรู้มันจะเข้าถึงจะทําความเข้าใจแต่ถ้ามันรู้ตัวทันในขณะที่ก่อนที่จะเสวยเนี่ยกระทบปั๊บรู้ทันในขณะที่ผัสสะกระทบมันจะไม่มีผู้เสวย นันจะมันถูกรู้แล้วภาษาเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนามันจะยังเอยมันถูกรู้แล้วไงเพราะมันถูกรู้จากภาษาปั๊บมันมีผู้เสวยปั๊บมันจะเอาอะไรมาตั้งค้างเมื่อเสวยแล้วมันมันก็ต้องอารมณ์มันต้องค้างอยู่สิแต่แท้ที่จริงแล้วมันไม่สารัสมากค้างได้ไปตลอดอย่างยืดยาวนะมันก็ดับไปคัวมันเองก็มันมันก็กระทบใหม่เกิดใหม่แม้จะเป็นอารมณ์เหมือนเก่าแต่มันคือใหม่ถ้าเราไม่รู้ใหม่มันก็ มันก็เสวย อ, อีกมันต้องรู้ใหม่อยู่เรื่อยๆจนกว่าความรู้นั้นจะเพียงพอต่อการที่จะทำลายความเห็นผิดไม่ใช่ดักอารมณ์นะทำลายความเห็นผิดถ้ามันค้างก็คือรู้ว่าค้างใ ช, ใช่ก็รู้ว่าค้างแค่นั้นเองนั <laughs> ่คือรู้ตามความเป็นจรงิงแต่เราไม่อยากให้มันคา้างด้วยพยายามจะลบดีว่านั่ไม่ใช่ตามความเป็นจรงนิง สาจารย์คถ้าอย่างในกรณีโกรธวันนั้นค้างสมว่ามันค้างอยู่ใช่ไหมคะพออีกสองสาวันต่อมามันนึกถึงแอร์คอนนั้นอีกไอ้ความโกรธนี่มันก็ประทุขึ้นมาอีกอันนี้คือไอ้ที่มันเก็บค้างไว้มันขึ้นมาทคนี้ถ้ามันขึ้นมาตรงเนี้ยเรามารับรู้ว่าอ๋อนี่มันเป็นจากที่เราเป็นนึกถึงมันมันเป็นสัญญาขันเท่านั้นใช่ลักษณะนี้มันก็จะคลายได้ใช่แล้วมันจะเป็นดัก เอกของที่ค้างมันได้ไหมคะดับได้สิถ้ามันจะดับไม่ได้ก็คือเรารู้ตามความเป็นจริงแล้วใช่จะล้างทุกทั้งหมดจิตนี้มันมันเป็นธรรมชาติที่กินอารมณ์มาขนาบไี่มีอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันยังไปขุดคุ้ยเรื่องเราขึ้นมาเสริมผลของมันเลยคธรรมดาในจิตมันต้องอยู่กับอารมณ์ก็เลือกใช่มันต้องมีอารมณ์เป็นที่ตั้งไม่มีอารมณ์เป็นที่ตั้งไม่ได้ ก็ น, นี่ไงวิธีคือรู้ให้ทันนะ ร, รูถ้าเสวยแล้วมันอ่อยากยอมเสวยก่อนนะยอมกินก่อนแต่ละอันเราถึงจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรยอมกินยอมทุกกับมันก่อนเพื่อรู้การที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะเสวยอารมณ์เนี้ยมันเป็นความรู้สึกจากตัวตนคือปกป้องตัวเองการที่เราปกป้องตัวเองคืออยากให้มีตัวเองในทางที่ดี การที่อยากให้มีตัวเองในทางที่ดีก็คือยังหวงตัวเองการที่ยังหวังตัวเองคือมันยังอะไรหรือมันมันเป็นการสร้างความเห็นที่เป็นอัตตาเป็นตัวตนเพื่อให้ตัวเองมายึดคือสร้างอะไรบางอย่างมาให้ตัวเองไว้เป็นพอมันไม่เป็นไปตามที่ตัวเองสร้างไว้มันมีอันที่ผิดจากที่ตัวเองสร้างไว้มากระทบตัวตัวเนี้ยก็ต้องลอยเป็นผู้รับกระทบอยู่ตลอดเวลา คือถ้าเรายึดถือในกายในจิตว่าเป็นตัวเราอะไรก็ตามที่มากระทบกายกระทบจิตมันเลยกระเทือนเป็นที่เราแต่ถ้าเรารู้ว่ากายคือกายจิตคือจิตไม่ได้มีความเป็นเราอย่างนั้นอะไรกระทบกายกระเทือนจิตมันก็ไม่มีกระเทือนเรามันก็ไม่ถึงเรามันไม่มีตัวเราอยู่ในนั้นมันมีเพียงแค่กายกับจิตป่วยก็ป่วยไปสิร่างกายเจ็บก็เจ็บไปสิเราก็รักษาไปตามภาวะที่มันพอที่จะรักษาได้จิตรับกระทบอารมณ์ก็รับไปสิจะบีบคั้นแค่ไหนก็ลอดไปบอกเข้าใจไหม นั่นแหละวิธีการที่จะทําลายตัวตนของตัวเองลงไปได้มันจึเป็นเครื่องวัดความอดทนในจิตของเราไงเราบอกว่าต้องมาอดทนขนาดนี้เลยเหรอถ้าเราไม่มีความอดทนนะการทําคุณงามความดีทั้งหมดไม่มีความหมายสักอย่างถ้าขาดความอดทนเสียอย่างเดียวดีได้แค่ชั่วคราวเพราะมันไม่อยู่ความอดทนอยู่ภายในหมาถึงว่าถ้าเกิดว่าสมมติการ ทำรายภรรยาไปเรืรรร่อยภรรยาก็องดทนไปเรื่อยเพราค่ะมันมีเรื่องหนึ่งที่เคยเล่าให้ฟังนะ้วจำได้ไหมนางกุนทนเกษีอที่ว่าสามีพยายามจะทํร้ายภรรยาก็รอดลวงไปที่ภูเขาสามีที่กับจะฆ่าเลยนะนางนี้ก็รอดวงไปที่ภูเขาแล้วบอกสามีว่า ข้าพเจ้าขอทําการ <c oughs> บวงสรวงท่านก่อนที่ท่านจะฆ่าข้าพเจ้าขอบวงสรวงเป็นครั้งสุดท้ายได้ไหมสามีก็ยอมให้ได้ก็เลยทําการบวงสรประทักศิเปลี่ยนดรอดโผยดอกไม้ก็เอาใส่จัหวะเผอกับผักตกหิวผักสามีตกหิ <c oughs> ต <c oughs> ายเทวดาที่อยู่ตรงนั้นก็โผล่ผุดโผล่ออกมาจากต้นไม้อุทานขึ้นมาว่า <c oughs> สตรีผู้สตรีผู้มีปัญญาย่อมสามารถเอาตัวรอดได้ประมาณนี้เราบ้งใช้ปัญญานี้เอาตัวรอดอดทนก็อดทนไฟแต่ว่าต้องให้ต้องใช้ปัญญาอย่าไปอดทนแบบทื่อๆพยายามเอาตัวรอดให้ได้แต่ก็ต้องทนใช่ไหมคะความอดทนเป็นสีที่ต้องใช้อยู่แล้ว แต่การมีปัญญาเพื่อทําให้ตัวเองอดทนจากการทุบปีก็ก็ต้องเป็นเรื่องของที่เราจะต้องใช้ปัญญาในตัวของเราเองควรจะใช้อย่างไรถ้าอดทนให้เขาทุบตีมันถือเขาใชมคะมันก็เป็นเป็นความรู้สึกที่อะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องของการขาดปัญญาไม่มีปัญญาในการกระทํามันรู้แล้วแต่เป็นการทําไปตามความรู้สึกที่คิดว่า ตัวเองจะต้องยอมอดทนหรือในแง่คิดหนึงก็คือเลิกลากไปเนีน่ยในเรื่องเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องทำความเข้าใจด้วยปัญญาว่าหากเราทําด้วยความรู้สึกอย่างนี้มันก็ยังเป็นตัวตนเป็นอัตตาอยู่ทั้งสองแง่ทั้งสองส่วนแต่ในความหมายของพระเจ้าเนี่ยก็คือมีปัญญาอยู่เหนือความรู้สึกอย่างนี้ แต่ใช้กดคึกคมอมอดทนเนี่ยเป็นเครื่องฝึกฝนในจิตหากเราใช้อดทนโดยแล้วแสดงว่าทนทนไปเถอะอะไรประเภทเนี้ยมันไม่ใช่ความอดทนความอดทนในความหมายของผู้เรีก็คือความอดทนนั้นจะต้องเป็นตัวสร้างปัญญาแล้วก็ฝึกจิตให้เกิดปัญญาอ๋อท่านมองในแง่นี้ก็คือว่าถูกทุกตีก็เอาตรงนั้นมาเป็นตัวกําหนดความทุกข์มองเข้าไปในอริยสัจ ได้ถ้าไปอย่างนั้นถ้าถ้าเรามอ ง, งมอย่ง่ว่ากรณีอยากจะใช้ปัญญาด้วยวิธีนี้ก็ได้นะ<ด> ม, มันเป็นทางออกอเหมือ น, นที่พระอาจารย์พูดในคิกพิภพค่ะที่ว่าถ้าอ่อนแอก็คือเป็นการพึ่งเพิงอย่างใช่มันก็ไม่มันก็ไม่ใช้ปัญญายหรือมันก็ไม่ใช้ปัญญาซึ่งมันถึงว่า หนูว่าน้องหนูอาจจะไปยึดคําว่าอดทนคือทนอดทนกับไม่ได้หมายถึงว่ากับจําคนไปพอเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ไดก็อีแบบนี้แต่ความอดทนในความหมายพุทธเจ้ามันจะต้องใช้เป็นเครื่องฝึกจิตรู้ทุกข์รู้เหตุให้เกิดทุกข์รู้ความดับของทุกข์รู้ธรรมปฏิบัติที่จะเข้าไปดับทุกข์หรือว่าอยงว่าอดทนต่อกิเลส ท, ที่จะชักนกําจิตของเราไปให้ เกิดความรุ falling, skincare, ่มหลงแต่ไปอดทนต่อการทุบตีนั้นไม่ใช่ปัญญาอดทนต่อกิเลสที่จะดึงจิตเราไปให้ไปสู่ความรุ่มหลงงงง่ายความรุ่มหลงก็เราจะไปมองว่าความรุ่มหลงในในความหมายคือความรุ่มรุ่มหลงแบบไงในทางที่ไม่ดีอะไรพวกนี้ยความหมายของยาคือแม้แต่ทางดีก็เป็นความรุ่มหลงอย่างหนึ่งเพราะคำว่ากิเลส ในความหมายของพระเจ้าที่บ่งทรงตรัสทั้งหมดก็คือมันมีตัวเริ่มต้นมาจากอาวิชาคือความไม่รู้ไอความไม่รู้เนี่ยมันเป็นรากเหง้าขอ ง, ของความลุ่มหลงทั้งปวงลุ่มหลงในความดีของไอฝ่ายนี้ใช่ถ้าเรารู้จักตัวเราอย่างของแท้แล้วเราจะไม่มลุ่มหลงอะไรความดีก็เป็นเพียงแค่ความดี คนไหนทําดีคนนั้นก็ต้องได้ดีคนไหนทําไม่ดีคนนั้นก็ต้องได้ไม่ดีเป็นเรื่องเฉพาะอของคนเรื่องของเราก็เราทําดีหรือเปล่าหรือว่าเราทําไม่ดีหรือเปล่าีา้ทีนี้มันก็มีข้อจำกัดว่าทําดีมันขอบเขตอยู่แค่ไหนทําไม่ดีขอบเขตอยู่แค่ไหนแต่เราคนก็ไม่เท่ากนันก็ไม่พอใจอีก เราจะเอาอะไรเปเครื่องกาหนดดีหรือไม่ดีก็ต้องดูว่าสิ่งที่เราทํานั้นประกอบด้วยประโยชน์หรือไม่ประกอบด้วยประโยชน์คำว่าประโยชน์คือประโยชน์ทั้งตัวเองและประโยชน์คนอื่นประโยชน์เฉพาะตัวเองก็ไม่ได้ประโยชน์คนอื่นโดยฝ่ายเดียวก็ไม่ได้ต้องเป็นประโยชน์ทั้งตัวเองกับคนอื่นนั่นคือความดี ที่ทําแล้วมันนํามาซึ่งประโยชน์บางคนทําความดีตัวเองเดือดร้อนจะเป็นจะตายคนอื่นได้ประโยชน์สูงสุดแต่ตัวเองจะเป็นจะตายในผู้ยากอกว่าไม่มีปรนไม่ใช่ประโยชน์ไม่ใช่ดุสุลบางคนทําความดีตัวเองได้ดีแต่คนอื่นจะตายกันไงก็ไมเป็นประโยชน์มัต้องต้องเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายปุ้งยิ่งตัดมาเสมอว่าทำทำประโยชน์ตนและประโยชน์คนอื่นให้ถึงพร้อมด้วยความให้ความมาก ไม่ประมาณนี้เป็นเรื่องบอกเรื่องของปัญญาดูตัวอย่างของพระพุทธเจ้าสิพระพุทธเจ้าพงเป็นผู้พ้นทุกข์แล้วแต่ทําไมพระพุทธเจ้าไม่ไม่พยายามที่จะทําให้คนพ้นทุกข์โดยใช้สัพพัญญุตญาณของพระองค์ที่พงมีคุณสมบัติพิเศษยในผู้อื่นจะพ้น จากความทุกขออ์ความยากความลำบากขอบคุณมากศัพพันอันนั้นแปลว่าสะไัพท์พันวิทยายานในการรู้ในสรรพสิ่ง น, นั่นหมายถึงว่ามันเป็นเครื่องยืนยันว่าในบรรดาศาสาดาที่มีอยู่ในโลกเนี้ผู้เจ้ามีคุณสมบัติของศัพท์พันวิทยาคือขาดยันในการรับรู้ในสรรพสิ่งเป็นตัวยืนยันในตัวพระองค์ว่าไม่มีสิ่งใดเลยที่พองค์ไม่รู้เป็นคนทีป่ประกาศและปฏิญาณตัวเอง ขึ้นมาในโรกว่าไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ไม่รู้เขาว่าไม่รู้นะั้นไม่ใช่ว่าไม่รู้ไปหมดทุกอย่างเอรู้ไปหมดทุกอย่างคือรู้ไปหมดทุกอย่างก็จริงอยู่แต่ในความหมายคําว่าสัพพยุเทียนคือรู้เหตุรู้ผลนะเหตุผลอันนี้นํามามาจากเหตุอันนี้หรือว่าเหตุอันนี้นําไปสู่ผลอันนี้พื่อจะรู้รู้หมดทุกสิ่งทุกอย่าง อันเป็นตัวเหตุที่จะนําไปสู่ผลหรือผลอะไรขึ้มาจากเหตุอะไรโพลสุสั่งฉะนั้นแล้วทําไมผู้ได้เจ้าซึ่งความความรู้ความสามารถอันนี้นะทําไมโปอง์ไม่ไม่ไม่ทรงทําให้คนพ้นจากความทุกข์ยากแล้วมาปฏิบัติตามทำทำมาทุกอย่างในความหมายก็คือพ้นจากการสแสวงหาทำมาหากินเพื่อที่ฝืดเครื่อง พงษ์มไม่พูดเจ้าไม่ทำอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่ว่าพุทธเจ้าไม่ทำนะพงษ์คิดจะทําอยู่นะวันที่พระองค์ตั้งใจจะสอนทํำประกาศธรรมะต่อชาวโลกพงษ์จะคิดจะทําโดยพองค์สรร่งปริวิตตกฟังหากเราไปเปบิกรัพย์เปิดพร้อมพระครังที่ในส่วนที่พงค์จะได้ในรัศมีออกมาแจกจ่ายมาหาชนทั้งหลายไม่ต้องไปฝืดเครืองในเรื่องการทามาหากินจากใจให้เขาไปบวชเลยแล้วเอาพวกเนี่ย มาฝึกฝนปฏิบัติธรรมอย่างเดียวคงตั้งคาใจว้อย่างนั้นปรากฏว่าด้วยสัพพัญญุตญาณด้วยความรู้อีกโอก็รู้ว่าทรัพย์ไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนคนหนึ่งแม้เอาไปกองไว้เท่าภูเขาให้คนคนนี้คนเดียวก็ไม่พอต่อความต้องการของเขาฉะนั้นการให้ทรัพย์จึงไม่ใช่วิธีทาง ไม่ไม่ใช่ทางที่จะทําให้เขาพ้นไปจากความทุกข์ได้เขาเป็นอยู่อย่างไรบ้างเขาเป็นอยู่อย่างนั้นเพราะชีวิตทุกคนเป็นไปตามกรรมของตนเองแต่เราจะสอนให้เขาได้เข้าใจชีวิตที่เขาเป็นอยู่อย่างนั้น่ะให้เขาเข้าใจอย่างถูกต้องเพราะถ้าหากเราไปเบิกทรัพย์ในท้องพระกลงมาคนก็จะมัวแต่วุ่นวายมาทรัพย์ของเราเท่านี้ทรัพของเราเท่านั้นใจก็อยู่แต่ทรัพอยู่กับทรัพย์ของตนเองเรามีประมาณเท่านั้นของเรามีประมาณเท่านี้อยู่อย่างนี้ ใจจะไม่อยู่กันระดับตักฟังพระธรรมทิศนาฮวงจึงไม่ทำอย่างนั้นฮวงจึงบอกให้มีปัญญาในความเป็นอยู่ที่เป็นอยู่เป็นขอทานก็ให้มีปัญญาในขณะที่ขอทานเป็นขอทานต้องอดทนไมบางมื้อก็ได้กินบางมื้อก็ไม่ได้กินอ า, าขอเขาได้ก็ได้กินขอเขาไม่ได้ก็ไม่ได้กินเก็บเศษอาหารที่เขาทิ้งแล้วมากินต้องอดทนหอดทนอย่างยิง แต่ความอดทนของเขานะี่ยไม่ได้ก่อให้เกิดปัญญาเข้าใจไหมผู้เรียนจึงไปสอนให้เขามีอดทนใช้ความอดทนที่เขามีอยู่นั่นแหละไปฝุกจิตให้เกิดปัญญาปัญญาคืออะไรรู้ทุกรู้เหตุให้เกิดทุกรู้ความดับของทุกรู้วิธีปฏิบัติต่อทุกปฏิบัติต่อเหตุแล้วก็ปฏิบัติต่อความดับของเหตุเนี่ยหากเรารู้อยู่อย่างนี้มันก็จะเป็นปัญญาและก็ความอดทนที่เราอดทนในขณะที่เป็นอยู่จะสร้างปัญญาให้กับเรา ที่เราทุกข์เนี่ยเพราะอะไรทีรม่มันเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยมีอยู่มันก็ต้องกุ้งอย่างนี้แหละตราบใดที่เหตุยังไม่ดับทุกข์ก็ยังไม่ดับความดับไปของเหตุมันจะดับไปไหมแน่นอนอะ่ะเหตุมันก็ต้องดับไปได้มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะมีคงอยู่อยู่ตลอดไปเราก็กําหนดรู้ว่าเหตุจะดับไปเมื่อเราไม่ยึดถือในความทุกข์ ทกำลังเป็นหมายว่าปล่อยให้ความทุกข์เป็นปล่อมทุกขโดยตัวของมันเองเพราะความทุกข์มันมานจากเกตุเมื่อเราปล่อยให้ความทุกข์เป็นความทุกข์และเข้าใจว่าทุกข์ที่มันมีจากเหตุเพราะมันเนี่ยโดยตัวของมันเมื่อมันดับมันก็ดับไปด้วยตัวของมันเองอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องกระทาให้แจ้งขึ้นมาโดยการที่เราไม่ส ร, ร้างเหตุเพิ่มจากเหตุเดิมที่เป็นอยู่นั้นเมื่อเราไม่สร้างเหตุเพิ่มจากเหตุที่เป็นอยู่ ไอ้ทุกข์ที่มีอยู่ก็ทุกข์ไปมันเป็นทุกข์เพื่อหมดเหตุไม่ใช่ทุกข์เพื่อสืบต่อเหตุตาราบใดที่เราไม่สร้างเหตุเพิ่มมันก็จะดับตัวของมันเองในความหมายมเป็นการมันจะเป็นการฝึกฝึกจิตให้เราเกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมาไม่ได้ไหมายความว่าเราจะพ้นจากความทุกข์ในขนาดที่เป็นอยู่เหมือนกับขอทานนะเขาก็ยังเป็นขอทานอยู่แต่เขามีปัญญาที่จะไม่ทุกข์จะขอได้ก็ตาม ขอไม่ได้ก็ตามเขาก็มีทุกข์แต่ความทุกข์มันมีอยู่คนเราขอทานไม่ได้หิวข้าวมันก็ต้องทุกข์อ่ะถามว่าทุกข์แล้วเป็นยังไงเมื่อถูกกําหนดอยู่แล้วว่ามันเป็นทุกข์มันก็ต้องทุกข์อ่ะมันจะเป็นไม่ได้กินข้าวก็ต้องทุกข์เป็นเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมด า, าพอเข้าใจพระเจ้าให้เรารู้ความจริงเป็นความจริงให้รู้สิ่งนั้นเป็นสิ่งนั้นตามความเป็นจริง กินข้าวก็อิม่มถ้ากินข้าวก็หิว ม, มันก็คือความจริงอย่างเงี้ยถ้าความจริงในแบบนี้เรายอมรับมันไม่ได้ความจริงเงี้ยอื่นเราจะยอมรับไม่ไรเหมายถึงว่าเราก็ไม่ควรไปเปลี่ยนใครแต่ว่าถูกต้องเนี่ย ม, มีปัญญาเราไม่ไปเปลี่ยนเขาแต่เมื่อเราเห็นเขาทุกข์เราก็คือหนงแค่ว่าเราจะช่วยจะเข้าไ ป, <น>ไปยุ่งกับทุกข์ของเขาอย่าไปยุ่งกับก็ในเมื่อมันมีข้อกําหนดหมายว่าทุกข์ของใครคนนั้นต้องแก้เอง ผู้เจ้าจึงไม่ไปยุ่งกับทุกของเขาไองขอทานก็ให้ก็เป็นขอทานไปเพียงแต่โหดไปให้ปัญญากับขอทานเขาจะรับหรือไม่ก็ใช่เขาเจะรับหรือไม่ก็เป็นเรื่องของเขานั่นถึงจะเป็นการการะทําที่ถูกต้องกาบเรียนพระ อ, อาจารย์การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าถือว่ามีปัญญาไหมครับ ก็ถือว่าเป็นการมีปัญญาก็เป็นปัญญาแบบเฉพาะหน้าเหมือนกันคือแก้ปัญหาไปได้ในขนาดนั้นเฉพาะหน้านั้นก็เป็นปัญญาคือปัญญาเฉพาะหน้าเป็นเรื่องของปัญญาอย่องผมใช้อะไรพระอาจารย์คะถ้าอย่างกรณี สมมุติว่าอย่างทําอาหารนะคะแล้วก็มีคนบอกว่าโอ้ทําอาหารอันนี้ไม่อร่อยเลยที น, นี้ปกติใจมันก็จะต้องมีแว๊บขึ้นมาอาจจะเป็นเรื่องของเสียใจหรือน้อยใจหรือคิดแล้วเราก็มาคิดว่าเอ๊ะไม่เสียสุขภาพจิตค่ะเขาว่าไม่อร่อยแต่เราว่าอร่อยแล้วเราก็สบายใจไอความรู้สึกอันนั้นก็าหายไปอันนี้ถือว่าเป็นการหลบหลบ อ, อารมณ์ ไม่ยอมรับความจริงเสียใจก็ต้องรับรู้ความเสียใจที่เกิดขึ้นยังไปตลาดไปเจอคนรู้จักโอ้ยทำไมเดี๋วนี้แกจังเลยทําไมทําผมแบบนี้ทํำไมแต่งตัวแบบนี้แล้วก็มาคิดอ๋ออันนั้นเขายังอยู่กับทางโลกของเราอยู่ทางธรรมแต่เราก็เห็นตัวเราแบบเนี้อย่างไงคะ่ะอันนี้ก็คือหลบอารมณ์อะแล้วทีนี้ถ้าเราจะไม่หลบอารมณ์นี่เราต้องทํายังไง ก็ยอมรับตามที่มันเกิดไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงมันแล้วดูรับรู้รับทราบในใจเราคือให้มีสติอยู่กันในใจเราให้สติอยู่กับใจใจที่กําลังรับอารมณ์ที่กระทบอยู่นั้น<อ>ก็ให้รับทราบว่าอ๋อใจเรากําลังรับกระทบอารมณ์นี้มันกําลังจะแสดงความไม่ชอบใจต่ออารมณ์นี้พ อ, อ, อมันกําลังจะแสดงพอมันแสดง อ, อ่านี่มันแสดงออกมาแล้วนี่ อ, อ๋อมันเสียใจแล้วนี่นะรับรู้เป็นขนาดข น, ขนไป นั้นกบไปอันนี้เกิดขึ้นมาอันนั้นกบไปอันนี้เกิดขึ้นมาก็จะทราบเองไปแค่สุดท้ายกำหนดรู้ไปเรื่อยๆจะเห็นแค่อาการอาการจะไม่เห็นเป็นอารมณ์แต่ถ้าเราไม่ให้เหตุผลกับตัวเองว่าเขาเป็นอย่างนั้นของเขาเราเป็นแบบนี้อันนี้คือการปกป้องตัวเองชก็อาจจะเป็นการอธิบายเหตุผลให้กับจิตก่อนในเบื้องต้นอธิบายเหตุผลให้กับจิตได้เข้าใจในสิ่งที่เขามองเราอนั้นเป็นทัศนคติของเขา มันทีเขค่คิดอย่างนี้นะครัใช่อันนั้นเบื้องต้นเขาต้องทำง น, นก่อนแต่พอมีสติแก้กล้าไปก็ต้องสติต้องกำกับอยู่กับยึดในครั้งต่อไปใช่มันเร็ว ก, กว่านั้นมันเรื่องทำอาหารก็จะคิดว่าอ๋อเขาอาจจะไม่ชอบอาหารแบบนี้เขาเลยว่ามันไม่ถูกปากอย่างเงี้ยมันก็มันกับปกป้องตัวเองเพ<ช>ื่อให้ตัวเองสบายใจก็สุดอ๋อให้ไปดูอารมณ์ที่เกิดตามนั้นก่อน หมดถามอะไรอีกถามอะไรอีกะไม่ไ้บอกว่าปีเสือเหมือนกันวันนั้นปใคร <lim> เสอแม่เ ส, <c oughs> สนีพี่ลีลเสืออ๋ออยู่ในสมนักนัอยู่ในสนักด <C ali> ้วยกันคหะชกันก่อสร้างรงป่ยไปอยู่ในระแวกนั้น ป่าไม้ก็รเลยมันเป็นมันเป็นป่าที่เขาเรียกว่าเป็นป่าชุมชนใ่ไม อ, อ น, นอไมชุมชนชาวบ้านรักษาเป็ น, นอำาจขชาวบ้านเป็นของา้าก็ชาวบ้านเขาก็มีบางคนมันก็ไปบุกลกออเ <c oughs> ส็แล้วมันก็มาขายอ่อไปไปอยู่ใ น, น, น้านเนี่เป็อยู่ในหมู่บ้าน ไม่อยากจะไนี่อยู่กรุงเทพไปแล้ว<อ>ก็ปรเด็บงเดินมีเหตแต่ชิมได้น้อยอเดี๋แต่หาคณศัพท์มาสร้างลงตัวสร้างโมองนอ้ำท<อ>ี่บอใจบุญกันยัง <c oughs> ใจบุญมันเป็นเหตนะรับถือคริสแต่ศรัทธาพุทธ พ, พอแม่พาไปบุญอ๋อเพราะแม่พาไปบุญไป มม่ี <ed> ีาทจะเดินย็นเยนฝึกตัวเองให้ได้ที่ได้ทางก่อนอาตมาก่อนจะสอนแม่ได้ราษาที่เท <c oughs> ่าไหร่เจ็ดแปดภาษาที่เก้ามาั้งยังจะสอนแม่ได้แต่ก่อนโอ้โ ห, โหไปสอนแม่แรกๆแม่ไม่เอาอะไรสักอย่างคันนี้เดินนี้ <c oughs> พี่พระาจารย์ลองทำแผนรวงจะพาไปส่งเอาเลยห้ือ่ะว่าเราทำแตกเหม่งมองเราปฏิบัติมากเกินไปเพี้ยนแล้วทำมากแตกหมดแล้วเผื่ <c oughs> อจะยังมีมะค่ะมีอะไระ ก็ น, น, น, นี่และวก็อธิบายไปก็ไปสรุปนะว่าเราจะให้ข้อมูลกับตัวเราในชีวิตของเราอย่างไรเพราะชีวิตของเราเป็นไปตามข้อมูลที่เราได้รับถ้าเราให้ข้อมูลใหม่เรียนรู้ใหม่ศึกษาใหม่เข้าใจใหม่อยู่เรื่อยๆต้องเข้าใจว่าการเรียนรู้ต้องเรียนรู้ภายในตัวเองนะมันจะเกิดความรู้ใหม่อยู่เรื่อยๆชีวิตเราก็จะได้กระทาสิ่งต่างๆเป็นไปตามความรู้นะั้นดัะนั้นการให้การให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับกิจ เป็นสิ่งที่ควรให้ต้องบอกกับจิตอยู่สเสมอต้องอธิบายให้จิตได้เข้าใจอยู่สเสมอรเราเข้าใจเนะี่ยมันเป็นความเข้าใจในชั้นเบื้องตน้นชั้นของเราเองแต่จิต <c oughs> มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะมันยังไม่เข้าใจกับเราการที่เราเอาความเข้าใจของเราไปอธิบายกับจิตอยู่บ่อยๆ อ, อยู่เรื่อยๆสมมุติสมมุติเมื่อจิต <c oughs> มันเข้าใจเรื่องเกิดการยอมรับแล้วอันนั้นจะเป็นการยอมรับ อย า, ากมากค้าคือยอมรับตามความเป็จนจริงเข้าใจร่างกายตามความเป็จนจริงเข้าใจจิตตามความเป็นจริงจิตมันจะเข้าใจนั้นจึงจะเป็นปัญญาในทางพุทศสาสนาการทําตามพิธีกรรมไม่ได้ก่อประโยชน์ทางด้านการปฏิบัติเพราะการปฏิบัติจริงอยู่เพียงแค่ที่อธิบายไปตอ น, นนีน้มันก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนใจิตใจของเราเองว่าจะการทํา ที่สุดแห่งทุกได้เมื่อไหรก็ปล่อยให้มันเวลาในสิ่งที่มันกำลังล่วงไปเนียเป็นเรื่องราของการจุดผลสติที่มันจะแก่กล้าเพียงพอที่จะรวบรวมอริยมรรคให้เกิดขึ้นในจิตแล้วก็จะทำลายล้างสิ่งนั้นเราจะรู้จักภายในตัวเองเป็นปัจจตังเป็นเรื่องเฉพาะตนเอาละเอาครับคอไม่ยากอีกหน่อยนค่ะอ เราก็ให้ความเห็นค่ะจ e ิกมาเรื่อยเรืยเพราะว่าเวทนาก็เป็นส่วนหนึ่งสัญญาส่วนหนึ่งสังขารส่วนหนึ่งแบบนี้นะคะเมื่อวานนี้เป็นวดค่ะแล้วมันเจ็บมันก็จะพยายามบอกว่าอ๋อเรื่องเจ็บมันก็เป็นเรื่องของการแสดงผลของเวทนาก็เป็นอีส่วนหนึ่งแต่ว่ามันก็ยังเจ็บแบบแล้วก็โอ้ยโอยโอ้ยอยู่เนี้ยค่ะเราจะให้มันก็ไม่เป็นไรก็โอ๊ยใหม่เพราะมันเป็นความจริงเจ็บก็ต้องโอ๊ย พมนนั้นก็ยังโอ้ยโอยเลยอะโอ้ยเข้าไปมันไม่ใช่ว่าเราเข้าไปสวยอะไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เกี่ยวเจ็บอะเจ็บมันจะนหวัวเราะมันจะสบายใจย่งนั้นหรือเจ็บเนเจ็บก็ต้องโอ้ยอ้ยังไงถึงจะไม่สวยอารมณ์นะ่นะก็รู้เมื่อรู้ก็ไม่สวยรู้ว่าเป็นเวทนานะ อ๋อค่ะมันก็บอกกับเองว่าเป็นเวท น, นาเวท น, นาก็ทําหน้าที่ของมันอยู่ก็บอกงี้ใช่ไหมก็ใช่แต่การที่เราบอกว่าไม่มันมันทำไมมันยังโอ้ยโอ้ยอยู่ก็แสดงว่าเรากําลังเสวยอารมณ์โอ้ยอยู่อเออออโอ ย, โอ ย, โอ ย, โอยไปสิอตาตมาก็ยังแหบปากร้องก็บีบมันเจ็บอะทำไมพระอาจารย์ทําไมร้องของมันเจ็บคนยังไม่ตายคนยังไม่ตายจะให้มันนิ่งๆเฉยเฉอย่างนี้แล้วก็คนมันยังเป็นอยู่ก็ต้องร้องสิ คนตายแล้วท่านนั้นไม่ร้องร้ อ, <า>องให้ตามาตายนี่ยมันอยากจะบีบก็บีบไ ม, ไม่ทางมีทางร้องสเสีแก่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นเลยโอ้โอ <c oughs> ก็กดบีบาามาตมาร้องจนจนหายเห็นไหมล่ะก็หายก็มันหายได้มันไม่ดีกว่ากับว่าร้องแล้วมันไม่หายร้ <c oughs> <c oughs> องก็ร้องไปเขาก็ เ, า, เ, า, เ, า, เาบีบเขาก็ทําหน้าที่ของเขาที่บ่อนวด เราก็แค่จะสวยอารมณ์ไปสุดๆเพราะมันโอนหลายโอนมากเลย <c oughs> <c oughs> อ๋ <BU> อก็ <c oughs> <c oughs> มีที่เขาบอกว่าพระอาจารย์เงียบๆหน่อยถ้าเงียบนี้ต้องเข้าช้างนะ <S S S ถ้าไม่เข้าช้างมันเงียบไม่ได้นี่ต้องร้อง น, อนั่นแล้วพระอาจารย์เข้าช้างเนี่ยผมจะนวดเอาเต็มที่กับเข้าล่ะทีนี้ปั๊บเงียบเลยนี่กดลงไปว่ะ มันก็ส่งผลไปนิดนิดจากการที่เจ็บแบบหนักๆใช่ไที่เราจะต้องโวยมันก็ส่งผลไปให้จิตรับทราบนิดนิดพออำนาจชางกันเ<ม>นี่ยพูดไปแล้วจะหาว่าอันนี้ก็ดีเ <c oughs> นาะข้าศัพคุณอะไรงไปก่น <c oughs> <ม>เป็นอย่างนั้นเนี้ยข้าไได้ค่แล้วถ้าการท่องท่าตุาสิจะมีคนเหมือน เป็นยังไงมันเหมือนการสวดมนต์ป่าไม่เหมือนไเหมอนผ่าศีลไม่เหม ม, ม, เห ม, มันจะมีผลยังไงเวลาเราท่องอมันเป็นเรื่องเฉพาะตนต้องท่องก่อนท่องเองที่รู้เองเข้าใจเองแล้วก็เทียบเคียงเอาเองสิ่งที่พระอาจารย์บอกก็คือสิ่งที่พระอาจารย์อบอกมันยังไม่ใช่ความจริงถ้าเราท่องแล้วแล้วเรารู้จักเทียบเคียงเองจะเป็นเรื่องราวที่เรารู้จักเอง เป็นสติปัญญาของเราไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องไปเชื่อใครมันยืนยันในตัวเองว่ามันเป็นยังไงมันจะดีหรือไม่ดีก็อย่าไปเทียบว่าดีหรือไม่ดีแต่รู้ว่ามันมีความแตกต่างกันสวดมนต์แล้วมัดีพระอาจารย์ก็เน้นที่สวดกับลูกศิษย์แล้วแล้ถ้ามันดีจริงก็คนจะดีกันทั้งประเทศแล้วล่ะฝายนี้ที่ยังเห็นคนในประเทศยังงงเงเซอะอะไรกันอยู่ถามธรรมะก็ยังไม่เข้าใจอะไรสักอย่าง เอาจริงๆนะน่นี่พูดตามคริงถ้าเอาเอารื่องความสวดมาคุยกันนี้ก็ น, นักสวดเหมือ น, น, นกันนนีอนี่นักสวดเลยเนะี่ยโอ้สวดเกง่งนสวดป <บา S 1> <ว>อนที่โม<ก>่ขึ้นมานี่โนไม่อยากจะคุยไม่อยากจะคุยถ้าไม่มีหลับสักองถ้าองอื่นสวดเขาหลับกันข้า อ, าอ้าวจริงๆเลยนะ ถ้าจะพูดซึ่งเรื่องส่วนนี้นักส่วนนียเหมือนกันได้แตมาเสียงดังส่วนดีทำมาจากกับเป๋าเงินศูนยนี่เหระรู้เรื่องเลยนะทุกตัวที่ส่วนนี้รู้เรื่องเลยนะ้ไม่ใช่ไม่รู้เรื่องเลยรู้เอว่ามีสุตังเอกังสาวะยมมัคะว่าบาลานิสิยังเวหลาตีอิศิประเนียนี้าดายเย่รู้เรื่องของการส่วนแต่ละอันแต่ละอรู้ความหมายของมันมันไม่ใช่การส่วนแบบสู้เอาล้อยล่อพานล่อสู้อยู่นั่น สวดเอาอะไรนักหนาเอาสวดนะคาสอนของขุยเจ้ามันไม่มีไว้เพื่อสวดเอาไปปฏิบัตินี่แหละแต่เรามาปฏิบัติในคำสอนพระเจ้าจะในรูปแบบแบบของการสวดปฏิบัตอยู่ในรูปแบบของการสวดนี่มันมันการเป็นการปฏิบัติหรอไม่ใช่เป็นการรู้ทำตามความเป็นจริงการปฏิบัติต้องรู้ทำตามความเป็นจริงไม่ใช่มาอยู่ในรูปแบบของการสวดทุกขุยเจ้าไปสอนธรรมะไม่ได้บอกว่าพวกเธอจงสวดบทนี้นะพวกเธอจงจดจําทรงจํา แล้วเอาไปสาธยายบท น, นี้นี้แต่พระเจ้าบอกให้รู้จักเนื้อหาในสิ่งที่เป็นสัจจ์แห่งความจริงแต่ละสูตรแต่ละาสวดที่พระองค์ทรงสอนให้เข้าใจในเรื่องเราที่ตัวเองกำลังกระทำอยู่ยาะสอนที่สวดที่ไหนล่ะสาทยายนั้นมีแต่ไม่ใช่การสวดสาทยายคือนําเรื่องเรามาอธิบายกับตัวเองที่ที่ได้ยินได้ฟังมาเนเอามาอธิบายว่าพระเจ้าทรงสอนอย่างนี้พระองค์ทรงตัดไว้อย่างนี้ หลัดทาเก่าสอนให้เราทําอย่างนี้อย่างนี้เรื่องภาษาไทยาป็นยังไไปทําเอาถึงเกยรลูกแต่อย่างที่พระอาจารย์ว่านะครับถ้าการสวดคือการปฏิบัติที่คนบรรลุกันไปเยอะเพราะว่าง่บรรลุประการสวดกันตั้งเยอะอะะเพราะมันเน้นเรื่องการสวดถ้าทุกที่เพราะมันดีแล้วแต่มาคงไม่มาปฏิบัติให้มันยุ่งยากและลําบากในขณะที่ปฏิบัติกโอ้ ยากเย็ดแสนเข็นแทบเป็นแทบตายจะมาทําให้มันลำบากทําไมถ้ามันจะบระรลุเพราะการสวดอันนี้ยังต้องมันยกบทธรรมบทนี้พระสูตรสูตรนี้มาพี่เพ่งพินิษฐพิจารณาทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนไม่หลับไม่นอนได้กินกินก็ยังไม่ได้กินเลยอันนั้นนะะวันเจ็ดวันก็อดกันไปหากตราบใดที่ยังไม่รู้บทธรรมบทนี้จะไม่หยุดพิจรารณาจนกว่ามันรู้อย่างของแห่ หายสงสัยภายในตัวเองอธิบายให้ตัวเองทราบได้ฟังได้ไม่สงสยัยไม่งงอยู่กับตัวเองนอนถึงจะสามารถเออไปกินได้แล้วมันก็อดต่อไปบีบตัวเองขนาดนี้เพื่อที่จะรู้ทำตามความเป็นจริง ล, ลำพังแค่การสวดเดี๋ยวต้องตัเชื่อกันอีกเลยเกียดพวดไปอ๋อจริงๆริงที่เก็ียดปดมัน ก็คนที่พาเราสวด น, น, นี่นั <laughs> ่นมันแง่เราก็เคยสวยดมาไง <c oughs> เคยสวยดมาก็รู้อยู่ <c oughs> ก็ถือว่าให้อยู่ในรูปแบบของการสวดถ้าคนที่สวดนั้นก็ก็สวดไปไม่ได้ ว, ว่าอะไรอนะ่ะไม่ได้ ว, ว่าอะไรเป็นเรื่องเฉพาะตนแต่ถ้าจะเอาเฉพาะอาตมาแล้วเป็นแง่มุมหรือทัศนะในส่วนตัวแล้วไม่ใช่ไหมถึงว่าสิ่งที่พระอาจารย์พูดนี้มันถูกเข้าใจไหมที่พูดนี้ไม่ได้หมายถึงว่ามันถูกนั่น เอาไปพิจารณาดูจะส่วนดูไม่ส่วนเ็เรื่องเฉพาะตนของตัวเองแต่พระอาจารย์เลือกที่จะไม่ส่วนแค่นั้นหนะว่ <c oughs> าใครถูกใครผิดายแห่เมตาด้วยน่สิปกติ่อยู่แล้วแห่ทั้งทางกายทั้งวาจาทั้งใจแ่มานังอนนี้ก็เมตตานีเนี่ยหรือมานังท <c oughs> <c oughs> าไมเมตตา <c oughs> มานังอันนี้ะ เมตตาไม่ได้ไปนั่งแผลอะไรกันอย่างนั้นจริงๆ ก, ก, ก, ก็ก็นั่งอย่างนั้นก็พระพุทธเจ้าประสมบอกอยู่แต่เราต้องเข้าใจความหมายเพราว่าเมตตาเมตตาเนี่ยพอเคสมันอยู่ได้แค่ไหนที่จะอํานวยผลและลักษณะของเมตตาเพื่ออะไรจุดประสงค์ของเมตตาเพื่ออะไรเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายถึงความสูงความเจริญหรอือเพื่ออะไร ก็เพื่อทําจิตของเราให้ปสาสจากเวนนั่นคือนอนิสงของเมตตาจิตที่ปาศจากเวรนก็ ร, รับอานิสงสิบเอประการเป็ น, นอานิสงของเราเท่านั้นเลยนะไม่ใช่อานิสง์ของคนที่เราไปเมตตาให้แหละที่พู้เยาสิบอ็ดประการนี่คือเป็นเรืเเ่องตัวเองเท่านั้นเลยที่เราจะได้รับเมื่อทําจิตให้ปสาสจากเวนแล้วไม่เป็นเวนต่อใครๆแล้วก็เป็นเมตตาในเมตีจิตแพ้เมตีจิปไมีถึงคนอื่นคือไม่ให้จิตมีความจองเวนกับใครๆเรีอกว่าปาตถนาดีนะเขาอยู่ตลอดเวลา ก็เพื่อให้จิตของเราได้รับอนในสมน์ไม่ใช่เพื่อให้เขาได้ดีนะเขาจะได้ดีก็เป็นเรื่องของเขาเขาต้องทำเขาต้องทำของเขาแต่เป็นการสร้างความปรารถนาดีจากเราไปถึงเขาแต่ ถ, ถ้าเขาได้ดีจากการปรารถนาดีนี้ก็ดีนี่เนี่ยก็ เ, เป็นสิ่งที่ดีแต่หลักๆแล้วก็คือเพื่อตัวเองนั่นแหละทำใจของเราให้ปราศจากเวรไม่มีเวรต่อใครๆเลยในโลกนี้ นี่คือคุณลักษณะของมีตันจบน้องงั้นไม่จบอ่ะมีขึ้นมาอีกเรื่องหน่ะยังไงอ่ะว่าใ น, นตอนที่พาส่งไปวินทอร์บาย <c oughs> หรือออกไปอย่างนี้เราจะให้ประโยชน์กับมวลชน ในเรื่องในคือคือเรื่องไหนที่เราจะให้เขาได้ค่ะใสออ่บิณฑบาตหมายถึงว่าที่พระสงฆ์ออกไปนี่ด้วยเหตุอะไรหรือแค่ต้องการให้เขาตลาดทานเพื่อที่จะให้เกิดกุศลท่านั้นแค่เขาได้เห็นพระสงฆ์เขาก็ได้สิ่งที่ควรจะได้แล้วใช่เขบแค่เขาเห็นพระสงฆ์เขาก็ได้แล้วไม่จำเป็นต้องใส่บาทหรือให้ทาน อ้าคนมีสามีเห็นหน้าสามีนี่จิตประกอบด้วยกุศลหรืออกุศลก็น่นอนๆค่ะแล้วลแต่สถานการณ์แล้วเห็นคนข้านเคียงล่ะจิตประกอบด้วยกุศลหรืออกุศลกับเห็นสามณะเห็นหนักบวชเนี่ยความรู้สึกในจิตมันแตกตา่างยังไงเหมือนท่านเป็นเหมือนถ้าสมงเป็นตัวแทนของการบริโภตัวแทนขอ ง, ของ ก็ถ้าถ้าเราคิดอย่างนั้นมันก็ได้แสดงวันอยู่ที่จิตที่เราคิดอย่าลืมว่ากุศลหรือสิ่งดีเนี่ยหรือสิ่งที่ดีมันเกิดจากการปรุงแต่งของจิตเราเห็นพระสงฆ์ความรูม้สึกในด้านดีมันเกิดเราก็ได้ได้สิ่งที่ดีๆมาเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตแล้วในสิ่งที่เป็นกุศลกับเห็นโจรผู้ไร้เนี่ยความรูม้สึกแตกต่างกนไ่ะนั่นแหละเขาก็ได้แล้วเห็น ก็เลยบอกพระเจ้าจึงบอกว่าการเห็นสมณะชื่อว่าเป็นมงคลอย่างหนึ่งสมานานันจาัสนางเอตมังกรุตมังแค่เห็นเฉยๆนั้นะทีนี้พอเห็นปับ๊บน้มจิตที่อยากจะให้ทานทีนี้ก็ยิงเป็นทานเป็นกุศลทนทานเกิดขึ้นในจิตแล้วมีของทานก็ได้ให้อีกก็เป็นการสลับของทา น, น, นก็ก่อให้เกิดบุญเห็นไหมมันจะนํามาซึ่งกุศลต่างๆอีกมากมายเยอะแยะ ใช่ผู้เจ้าบอกแค่เห็นยังก็ได้พู้ทีเจ้าเองก็ตามก่อนที่จะมาตัดสรุปพงศ์ก็ได้เห็นสมณะนี้เป็นเหตุเป็นผลอย่างหนึ่งที่ทําให้พงศ์ในสลาศุภะความเป็นสมณะนี้แค่ได้เห็นเฉยๆก็รู้สึกเออมันน่าจะเป็นพุททางเป็นหุททางของบุคคลผู้หวังความบุพน์มันเป็นแบบอย่างในสังคมที่คนอื่นได้เห็นแล้วมันเห็นข้อแตกต่างแย่างแย่มาะ เห็นตำรวจบางคนเห็นตำรวจอยากเป็นตำรวจเห็นาหารอยากเป็นทหารเห็นนายกอยากเป็นนายกอย่างเงี้ยเห็นอะไรมันมันก็มีจิตที่ปรุงแต่งที่อยากจะเป็นนีเห็นสมรณะมันก็เลยเป็นช่องทางหนึ่งสําหรับบุคคลผู้หวังความุคคลถ้าไม่มีสมรณะที่เห็นเลยจิตเขาจะวนเวียนอยู่กับสิ่งปรุงแต่งในโลกทั้งหมดแล้วก็ดึงจิตให้เขาอยู่ในวงจรแห่งการปรุงแต่งในเรื่องราววันนั้นยําๆอยู่ในจิตเพื่อให้ตัวเองได้ไปเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ พอได้เห็นสมณพัปมันเหมือนมีช่องทางอีกช่องทางที่จะทําให้รู้จักเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งเป็นเส้นทางที่สมณะเนี่ยดําเนินเนี่ยคือท่านดําเนินอะไรมันก็จะเกิดการค้นหาเอ๊ะคนทำไมท่านผู้นี้สมณะนี้ทําไมนม่ไม่มีบทบาทอะไรในสังคมเป็นเพียงแค่สมณะผู้หนึ่งไม่มีไม่มีแบบตำรวจหรือทหารหรือแบบเกียรติยศชื่อเสียงอะไรต่างๆนานาตรงที่นี้แต่ทุกวันนี้ จะยึดชื่อเสียงเอาไปไว้ในสมณศักดิ์นักบวชหมดแล้วสมณะสาักไว้ไว้ในอะไรเนาาี่ยพูดไปไม่ได้หรอกอันนี้เพราะเราพระไม่ใช่เพียงแค่อุ้มบาตรไปขออาหารก็กินไม่ใช่ ท่าไม่ได้ขอแค่ท่านอุ้มบาปไปที่เฉลยชาวบ้านให้ก็ให้ชาวบ้านไม่ให้ไมไปว่าอะไรเขานะ خ, ขไม่ได้แค่แค่แค่อุ้มบาปไปจะบอกว่านี่คือการเลี้ยงชีิดด้วยความบริสุทธิ์เพราะไม่มีการเอาปาขอถ้าเอายปาขอพระเจ้าบอกไม่บริสุทธิ์ก็ไม่ต่างจากขอทานและหากวางแขนเพื่อที่จะเอาวางแขนต่างๆนานาเรียบเทียงคาดขั้น ชักโจงล่อรวงให้คนได้มาบริจาคหรือให้ทานกับตนผู้เจ้าบอกว่าเป็นมหาจุลแต่พิษสูงที่เดินอุบบาทไปเฉยโดยเป็นใยปากขอผู้เจ้าบอก่นั่นคือการยืงชีวที่บริสุทธิ์น้ที่ค้าๆเขียนว่ากัาาาาบพระสงฆอยากให้ถูกพวกชาวบ้านสงในความหมายที่ผู้ได้เจ้าทรง ม, มุ่งหมายถึงคือสง การปฏิบติปฏิบัติชอบสมหมายถึงการปฏิบติปฏิบัติชอบหรือว่าข้อปฏิบัติปฏิบัติที่ถูกต้องเพราะการปฏิบัติปฏิบัติชอบก่อให้เกิดสมสมไม่ใช่บุคคลที่เข้ามาบวชบุคคลเข้ามาบวชได้นามว่าสมอุติสมแต่ไม่ใช่สมที่เป็นสารณะเป็นเป็นสิ่งที่เราจะต้องยึดพึ่งสิ่งที่เราจะยึดพึ่งได้คือสมที่ปฏิบัติปฏิบัติชอบ บุคคลที่เข้ามาบวชหาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะได้นามว่าสงในแง่สารณะแต่ถ้าบุคคลเข้ามาบวชจะได้สงในแง่ของเพียงแค่สมุติสงฆ์เท่า น, นั้นเองสงแปลว่ากลุ่มหรือหมู่คือมาอยู่กันเป็นกลุ่มหรือหมู่คือสังฆะคือสงเนี่ยมาจากถ้าจะเป็นรากฐานคือเรียกว่าสังคมสังคมก็มาจากรารกฐานเดียวกันคือความเป็นอยู่เรื่องกัรเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นหมู่ ตั้งแต่ครอบครัวหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศอย่างนี้ก็คือสังคมเพราะนั้นมันจะมีสังคมสังคมชาวบ้านสังคมสงสังคมสงก็แบ่งเป็นสองคือสังคมที่เป็นสมุติสง์กับสังคมที่เป็นอริยสง์อริยสงเนี่ยคือความสงที่พระเจ้ามุ่งหมายให้ยึดพึ่งแต่สมุติสงพระเจ้ามาให้ยึดพึ่งนั่นหมายถึงว่าหาก สงใดประพฤติปฏิบัติในเส้นทางแห่งอริยสงค์คือปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันแล้วการปฏิบัตินั้นเข้ากับหลักหรือว่าปฏิปทานที่องค์ทรงบัญญัติไว้ในข้อปฏิบัติคือภิกษุประพฤติเข้ากันกับหลักนั้นนั่นแหละทั้งภิกษุสงและสิ่งที่ท่านปฏิบัติอยู่เป็นสาระได้เป็นที่ยึดพึ่งได้ แต่ถ้าสงกลุ่มสงเหเราใดสังคมสงเหเราใดมีข้อปฏิบัติที่ไม่เข้ากับ ป, ปฏิปทาคืออริยมรรคแบบซึ่งเป็นมนชิมาปฏิปทาหลักปฏิบัติที่จะเป็นไปเพื่อความเป็นส่วนดาวัตส ก, กัดทางธรมเนี่นะครับมีอาหารหันสมมติสองหรือว่าสังคมสงนั้นไม่ควรที่จะยึดเป็นที่พึ่งพึ่งไม่ได้พึ่งอะไรพึ่งบังพึ่งบุญ ที่จะให้ได้ผลมากอันนิสงมากก็ไม่ได้หวังพึ่งธรรมะที่จะได้ยินได้ฟังอันเป็นธรรมะอันบริสุทธิ์ก็ไม่ได้ยินได้ฟังหวังพึ่งสิ่งเหล่านั้นจาท่านไม่ได้หวังการชี้นําในทางที่ถูกต้องว่าควรจะดําเนินปฏิบัติให้เป็นไปเพื่อความพนผู้อ ย, ย่างไรก็หวังอย่างนั้นไม่ได้พึ่งอย่างนั้นไม่ได้สมบูรณ์สูเหล่าเนี้พอท่านไม่รู้ไม่เข้าใจและไม่ได้เป็นนาบุญอันเลิก แต่ถ้าเป็นอริยสงฆ์สงฆ์ที่ประพฤติดปฏิบัติชอบอันเนี่ยเป็นสารณะ<ม>เป็นทั้งนาบุญเป็นทั้งผู้นำทางคือท่านก็ยังทรงภงม์องค์คุณในการปฏิบัติได้ดีงองค์ท่านตัวท่าน <c oughs> แล้วก็ชักชวนเราปฏิบัติในทางที่ถูกต้องแนะนําชี้ทางเป็นหวังเป็นที่พึ่งให้กับเราได้สำหรับบุคคลผู้หวังความพ้นทุกเพราะฉะนั้นการประสงค์อย่างนี้ถูกผู้ชาวบ้านคือต้องกราบสงฆ์ที่เป็น สุปฏิปโนโุพระครูปโตสาวรพสังภูทรงที่ประพฤติปฏิบัติชอบเท่านั้นที่เรากราบไหว้ไดนะ้งั้นก็แสดงว่าเหตุพระสงฆ์ทั่วไปนี้ไม่ควรไหว้ทำไงเห็ุพระสงฆ์ทั่วไปที่เขาเดินตามถนนบนทางด้วยนะให้ควรไหวนะ้เหรอไหวไในฐานะที่เป็นนักบวช <c oughs> ไหวในฐานะที่เป็นนักบวช นในฐานะในในในฐานะนั้ น, ม, นมันไม่มไม่มีเื่อนเลจบหรื อ, อยังเนี่ยยังไม่จบจะถามอะไรจะถามมาก็ขอความเตตาคอาอธิบายส่วนเมื่อกี้นะคะส่วนเมื่อกี้ตรงไหนที่พูดเรืงว ข้างต้องกราบพระสงฆ์อ๋อพระสงฆ์ทั่วไปเราจะต้องกราบไหว้ไหมพู้ใหญ่บอกว่าหากมีจิตไม่เลื่อมใสก็ไม่ควรกราบไหว้หากมีจิตเลื่อมใสก็ควรกราบไหว้แค่นั้นเองแต่ถ้าเคยเลื่อมใสแต่เราจะยึดครึ่งฮะเคยเลื่อมใสแล้วไม่เลื่อมใสไปก็ไม่กราบไหว้อ๋อไม่เลื่อมใสอย่าไม่กราบไหว้มันไม่มีประโยชน์อ๋อแม่แม่แต่ว่า จะคิดว่าอ่ากราบว่าในฐานะที่เป็นสงนี่ก็ไม่ต้องเราต้องทําจิตให้เลื่อมใสก่อนคือถ้าจะเอาหวังประโยชน์นะออต้องทําจิตให้เลื่อมใสก่อนแม้รู้ว่าผู้นี้ไม่น่าเลื่อมใสแต่ต้องทําจิตให้เลื่อมใสก่อนการกราบของเราเป็นการกราบสงสาวของพระสมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้กราบตัวผู้นี้เนะทําจิตให้เลื่อมใสในสงสาวของพระสมาสัมพุทธเจ้าแล้วกับ อันนั้นอ่ะได้ในหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆแต่ถ้าแต่ถ้าหลีกเลี่ยงก็หลีกเลี่ยงหลีเลี่ยงหาสมที่เป็นสุปฏิปโนกามาจริงๆอันนั้นจะได้ผลมากอันนี้สูงมากนนสำวจนั่นแหละคู่แห่งบุรี่คูนั่นแหละนักเรียนเพว่นบุตรได้เกบรใน่มนั่นแหละถึงสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเป็นเนื้อนามลสองโลกไม่มีเนื้อนามูลยิ่งกว่าใจยังเ่ะแค คนเราถ้าไม่ทําจิตที่เลื่อมใสนี่มันมันก็กาบไม้ถ้าจะเลื่อมใสก้อนหินก้อนหนึ่งให้เป็นของศักดิ์สิทธิ์กาบไม้ ก, ก็ได้นะแต่นั้นเป็ น, เ, ปนเรื่เลื่อมใสที่ไมถูกไงใช่ไหมคนเรามันเลื่อมใสแล้วมันกาบไม้มันก็จะเป็นผลดีต่อจิตต่อใจตัวเองไปเลยหรอถ้าไม่เลื่อมใสทําให้ศรัทธาแล้วไปไหว้มันก็มันก็เสียหายก็มีพิสูจนในครั้งพุทธการแม้เป็นพระละหันเองบางคนก็ไม่เลื่อมใสเพราะพฤติกรรมบางอย่างของ พระรหัสเหล่านั้นเขาเขาก็ไม่ไม่ศรัทธาก็มีจนเรื่องราวถึงพระพุทธเจ้าทําไมถึงกระทําอย่างนี้มีพฤติกรรมอย่างนี้พระเจ้าก็สรงสักไซอะไรดีครับสุดท้ายเมืเ่อทราบีหตุและผลว่เอางบอกวา่าณนี่แหละบุคคลผู้นี้เป็นบุรตรลองตถาคตบุบตรตรถาคตก็คือรั บ, บรองแล้วว่าเป็นผู้ศรัาธาตอนิี การถกเถียงกันระหว่างภิกษุรูปหนึ่งซึ่งมีเจริยวัดงดงามที่เป็นบุรุชนอยู่หน้าเลื่อมใสกับภิกษุผู้หนึ่งมีเจริยวัดที่ไม่งดงามไม่น่าเลื่อมใสแต่เป็นพระหลานความแตกต่างกั น, กนของภิกษุสองรูปเนี่ยเขาก็เลยว่าโอภิกษุอยู่โน่นอยู่ท้ายวัดโน้นมีเจริยวัดน่าเลื่อมใสสงสัยท่านนั้นเป็นพระอรหรรันต์แนบเลยก็แห่ไปเคารพสักาการะบ้านภิกษุนะั้นอีกภิกษุรูปหนึ่งคือปณิสัยไม่ค่อย น่าเรื่มใส่เท่าไหร่แต่เป็นพระอรหันต์เขาอกคุยกันไน้นะ่จนไปถึงหมู่บูเจ้าบูเจ้ากบอก่าโน่นเป็นบุตุชนอยู่ที่ออรหันต์แล้วบางทีเราก็มองไม่ออกใช่ไหมละ่ะมองไม่ออกอะไรเป็นอะไรคือระดับบุตุชนมองไม่ออกเนะแต่ถ้าเป็นอริยเจ้ากับอริยเจ้าท่านรู้คือรู้ด้วยการสาุทรณอย่างน้อยนะอย่างน้อยรู้ด้วยการสงนทรณะกันแล้วก็ฟังธรรมกัน ฟังปั๊บแต่รู้ปุ๊บเลยว่าคนคนนี้เป็นอริยะหรือไม่ใช่อริยะก็ดู <c oughs> กันออกสําหรับผู้ปฏิบัติผู้ไม่ปฏิบัติก็ดูไม่ออกคือในแวดวงเดียวกันมันจะดูกันออกอัะนหะน้าพูดง่ายๆตํารวจก็รู้ว่าใครมีดีใครไม่ดีอาหารก็รู้ว่าใครดีใครไม่ดีพูดชื่อมาก็รู้กันในแวดวงมันมีอยู่วงปฏิบัติก็รู้ผ้าสงเราเองนะรู้ผ้าเบี่ยงก็รู้ใช่ไหม ใมันไม่รู้นะนรู้อย่างน้อยคุยกันไปคุยกันมาจะรู้ทัศน้ า, า, าของกันและกันทัศน้ า, า, าก็ออกมาจากจิตนั่เลยไม่ได้ออกมาจากที่อื่นนี่ก็คุยกันก็รู้ก็เริ่มรู้แล้วใช่ไหมเลยใช่ไหมก็เริ่มรู้เริ่มเข้าใจอะไรขึ้นมาแล้วใช่ไหมมันก็รู้จากการคุยการจากการสุนอนารก็รู้กันได้ไม่ใช่รู้ไม่ได้ใครภริยาไม่ภ ร, ริยา แล้วก็บอกคนที่จดจําคําพูดของพระเรียกทำพูดรู้ได้ไหมรู้ได้อีกทำไมจะรู้ไม่ได้จําคำพูดหรือพูดออกมาจากความจริงก็รู้ได้อีกแต่คนเข้าถึงความรู้แล้วแต่ถ้าคนที่เขายังไม่เข้าถึงความรู้ก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ <c oughs> เหมือนกับพรูได้เจ้าไปถามนายทารุตตมิการ ผูหาพื้นถามไปยังทําบุญอยู่หรือเปล่าทํายู่พระเจ้าข่าทํากับใครี่สูจนไหนขพระรองค์เลือกทำํำจะพิสูจนที่เป็นพระอรหันต์พระเจ้าค่าเธอรู้หรือเปล่าใครเป็นอห ร, รอหรันต์รู้ได้หรืรู้ได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันพระเจ้าข่า <laughs> <laughs> ถ้าเธอถ้าเธอบอกว่าเธอเลือกทาบุญกับพระอรหันต์ เข้าใจว่าพิสูตรเนี่ยดูแล้วท่าจจะเป็นอาหารชอบอย่างเงี้ยเข้าใจท่านอย่างนั้นพระเจ้าก็เลยแนะนําบำว่าต่อไปนี้ให้ทําเวลาให้ทานให้ตั้งจิตไว้ในความเลื่อมใสในสมสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่าอย่าอย่าให้ทานในบุคคลคืออย่าอย่าให้ทานมากเราจะให้ทานเฉพาะคนนี้คนนี้คนนี้อย่าให้ทานนะแต่จงตั้งใจเลยว่า เราจะให้ทานแด่สงสารพวกของพอระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นแยกออกไหมให้ทานในสงสารพวกไม่จอดจงเนื่อยไม่จอดจงจึงเป็นเรื่องว่าบ้านเราเรียกว่าสังฆทานในหลักบูรเหตุของสังฆทานมาจากเรื่องนี้เพราะเราไม่สามารถคำนวณรู้ได้ว่า<ไ>ใครเป็นหรือใครไม่เป็นอย่างเนี้จะให้ในผู้เป็นเลยใครก็ตามที่เป็นก็ให้ผูนั้น โดยอาศัยบุคคลนี้เป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญแต่ใจเราเจาะจงไปที่สงสาวาัของพระสมณทูติจักมันจึงนำมาสู่วินัยกรรมของที่สุโสงผู้รับออกทานจากชาวบ้านแล้วจะไม่สามารถใช้ของสักการะนั้นได้ด้วยตนเองจะต้องนำของสักการะนั้นไปไประชุมโสงเพื่อขอขอขอโสงใช่เป็นอย่างนี้จบนะ ยังไม่จบอ่ะจบแล้จบเดินจะขออันนี้ให้เก็บผ้าได้เก็บก็เก็บโดนถ่ายด้วย